การปฏิบัติที่มีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนเป็นความสะดวกสำหรับผู้จปฏิบัติอยู่มากทีเดียวผิดกับไม่มีครูมีอาจารย์ที่แนะนำโดยถูกทางทั้งภายนอกคือหลักธรรมหลักวินัยทั้งภายในคือคิตถึงภาวนา เฉพาะจิตตภาวนานั้นเป็นสำคัญมากเบื้องต้นที่เราเริ่มฝึกหัดก็ไม่เห็นมีอะไรสำคัญเพราะไม่ได้หลักได้เกณฑ์พอที่จะเทียบจะเคียงว่าอันใดผิดอันใดถูกเลยไม่ทราบว่าหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรจิตใจก็เลยล่อนล่อนช่วยนั้นช่วยนี่มาภาวนา ไม่เลยหลักได้เกณฑ์เดียวภาวนาะบทหนึ่งเดียวภาวนาะบาทหนึ่งเดียวเอาคาถาหนึ่งมาภาวนาะแต่ไม่ยินไม่จังกับบทใดาบาทใดพอที่จะให้เกิดผลเป็นความสงบขึ้นมาภายในใจอย่างนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นสำคัญสำหรับครูอาจารย์ทั้งหลายผู้ให้แนะให้การแนะนำสั่งสอนเพราะจิตไม่ยินไม่จัง หิดล ะ, ละเลอะแหลๆจะไปก็ไม่เชิงจะอยู่ก็ไม่ใช่ทิ่นนทปัดแต่งอยู่อย่างนั้นจะไปที่ไหนก็ไม่ไปวกๆเวียนจะเทินน้ำจะเทินบกถือเอาหลัออกเอาเยียนอย่างใดก็ไม่ได้อย่างนี้อะไรก็ไม่สำคัญครูบาอาจารย์ก็ไม่สาคัญทำท่านมาเลิศท่านมาเป ร, รก็ไม่สาคัญในในหัวใจเรา แต่ผู้มีความมุ่งมั่นต่อหลักทมหลักวินัยจริงๆและต่อมรผลนิพพานจริงๆนั่นเริ่มเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นการประพฤติปฏิบัติเป็นของสำคัญภายในจิตใจ <c oughs> แม้จะยังยึดหลักไม่ได้ก็ถือครูถืออาจารย์ถือทมถือวินยัย ตลอดถึงมรรคนณิพานเป็นสำคัญเป็นพื้นเพลของอิอิตของผู้มีธรรมเหล่านี้เป็นพื้นเพลอยู่แล้วย่อมไม่ผิดพลาดได้อย่างง่ายด้โดยทางเจตนาแม้แต่จะผิดพลาดอย่างอื่นโดยไม่มีเจตนาก็ไม่ค่อยผิดพลาดเพราะความนะมัดระวัง นี่ดิโอตปะมีประจำใจกลัวจะผิดทางเนี่ผู้ปฏิบัติเป็นเช่นนั้นแต่เราทั้งหลายมาประพฤติปฏิบัติธรรมนี้มีความมุ่งหมายอย่างใดเป็นหลักใจนั้นถึงได้ผิดพลาดอยู่เสมอมา ท, ทั้งทั้งที่ครูอาจารย์ก็พยายามแนะนำสั่งสอน เฉพาะ อ, อย่างยิ่งที่ผมรับหมู่คณะไว้เพื่อการอบรมสั่งสอนผมสั่งสอนด้วยความตั้งอกสั้งใจด้วยความมีแก่ใจจริงๆเป็นห่วงหมู่เพื่อนนี่เป็นพื้นอยู่ภายในจิตใจไม่เคยลดละแม้จะไปอยู่ในสถานที่ใดด้วยความจำเป็นเช่นไปรักษาโรค ภ, ภัยท่าเจ็บก็อดเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้ในการประพฤติปฏิบัติโดยเฉพาะ และนอกจากนั้นยังเกี่ยวกับหูเพื่อนที่อยู่ร่วมกันอีกกลัวจะผิดจะพลาดกลัวจะทะเลาะเบาะแหวงนั่นเพราะสิ่งที่จะทําให้เป็นเช่นนั้นมันดูปากคอกอูกับความคิดที่แสดงออกได้อย่างง่ายดายและจิปัญญาที่จะตามทันสิ่งเหล่านีน้นอนไม่ตื่นนั่นเสิมันจึงทําให้เป็นห่วง แม้จะอยู่ด้วยกันแท้ๆก็ยังเห็นอยู่เป็นประจำออกจากหมู่จากเพื่อนหรือับหูรับตาไปแล้วเป็นอย่างไรไม่มีอย่างหยาบมันก็ต้องมีอย่างละเอียดให้เกิดความนอนใจอยู่นั่นแหละนี่เรามุ่งมาประพฤติปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำภายในจิตใจจริงๆ เป็นอย่างไรบ้างใจสงบไหมยเย็นไหมถ้าใจไม่สงบ ก, ก็หาที่ร่มเย็นไม่ได้หาที่เกาะที่ยึดไม่ได้ไม่มีหลักใจเลยอยู่ไปวันหนึ่งคืนหนึ่งด้วยความรุ่มร้อนวุ่นวายเหมือนดังคารวาสของเขาที่ไม่เคย ไห้ประพฤติปฏิบัติอัดทำอย่างไดเลยเช่นนั้นก็ไม่สมควรแก่ผู้ปฏิบัติเราวิธีการของพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและทรงสั่งสอนมาโดยลำดับเป็นวิธีการที่ถูกต้องแน่นยํามาแล้วทั้งนั้นผู้มีความจริงใจยึดมาเป็นหลักใจประพฤติปฏิบัติตามนั้น ก็คอจะให้เกิดความร่มเย็ยนได้มีหนางสามยังมีครูมีอาจารย์คอยแนะนำสั่งสอนวิธีการดําเนินทางสมาธิเพื่อความสงบเป็นพื้นฐานของใจให้เดียอยู่เย็นเป็นสุดแม้จะยังไม่เกิดความเฉลียวฉลาดก็ตามครูอาจารย์ก็ยังมีพอที่จะแนะนำสั่งสอนได้สำหรับวัดนี้เราไม่ให้มีกิจการงานอันใด ทั้งนี้เพื่อหมู่เพื่อนได้บำเพ็ญความภาคเพียนด้วยความสะดวกทุกเวลาเวลาอิริยาบถไม่มีสิ่งใดมากีดมาขวางมาทำให้ล้มเหลวไปเช่นการงานสร้างนั้นทำนี้ยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นเป็นข้าสิกต่อการปฏิบัติธรรมนี่ก็ไม่นำมาเกี่ยวข้องไม่นำมาขีดขวาง ทางเดินคือการภาวนาของหมู่คณะเพราะเคยเห็นโทษของสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วในธรรมท่านก็แสดงเอาไว้ผู้ที่เสาะแสวงยึดดำเนินทางด้านจิตตภาวนาให้พึงมัดระวังวัดใดเป็นวัดที่ก่อสร้างสถานที่ใดเป็นที่ไม่สงบแม้ที่สุดต้นไม้ ทินมีดอกมีผลพวกนกพวกสัตว์อะไรมากินให้เกิดเสียงเอิ ก, กะเริบบนต้นไม้ก็ยังไม่ควรไปอยู่ในที่แค่นั้นนี่ท่านสอนไว้แล้วในมหาขันก็มีให้ไปหาอยู่ในที่สงบสงับสถานที่ขึ้นลงเช่นท่าม้า เป็นที่ขึ้นลงของผู้คนหญิงชายก็ไม่ควรไปพัก ห, ห, หาพักในที่สงบสงัดนั่นะทำไมท่านจึงให้พักในที่สงัดเพราะความสงัดนั้นเป็นเหตุที่จะให้รู้วิถีของจิตที่คิดออกจะคิดออกนอกรูนอกทางคิปในแย่แหนใดย่อมจะทราบได้ง่ายกว่ามีสิ่งรบกวนวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา ท่านกินสอนให้อยู่ในที่สงบสงัดอย่งเป็นอย่างไรท่านรูปเป็นอย่างไรท่านกินไม่ให้ยุ่งให้เกี่ยวเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นค่าศึกทังนั้นในเวลาที่ควรเป็นค่าศิกต้องเป็นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่มีคำว่าขาดบ้าขาดตอนเพราะพิเรยยอมจับว้านเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาเป็นสมบัติของตนแต่เป็นปืนเป็นไปําสำหรับจิตใจของผู้บาเพ็ญเพื่อ อ, อัดเพื่อทำ ท่านจึงสอนไม่ให้ยุ่งไม่ให้เพี้ยวให้หาอยู่ที่สงัดสงัดจากรูปจากเสียงจากกลิ่นจากรสอันจะเป็นค่าศิต่อทิตตภวนาเนี่ยเป็นของสำคัญแล้วผู้ปฏิบัติก็เห็นคุณค่าของความสงัดจริงๆเราอยู่ธรรมดามความอย่างสถานที่เราอยู่นี้เป็นที่สงัดก็จริงแต่หาที่สงัดยิ่ง กว่านี้เข้าไปและที่เปลี่ยวยิ่งกว่านี้เข้าไปจิตใจจะมีความเปลี่ยนแปลงตัวเองไปได้เลยการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในสถานที่เปลี่ยวสถานที่หน้าบาบเสียวหน้ากลัวย่อมจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่อัตธรรมได้ง่ายกวา่าุกว่าที่เราอยู่ธรรมดานี่ย ท่านจิงสอนให้อยู่ในที่สงัดในที่วิเวสในสันเลขธรรมท่านแสดงไว้คำว่าสันเลขธรรมคือธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาีิเลกมีอยู่จิประการพันละอปิชตาคือความมักน้อย ไม่มากในวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยบริขารต่างๆนี่เป็นของสำคัญนะแล้วอสังสักนิกาไม่คุกขีกับประชาชนญาติโยมตลอดพระเนรเพื่อนฝูงอันเดียวกันมีตนเป็นผู้ผู้เดียวยวิเวกตาคือชอบสงัดวิเวศนะนี่แหละหลักทีการสอน ผู้ท่านผ่านพ้นไปผ่านพ้นด้วยธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องส่งเสริมให้เป็นไปได้ถึงจุดหมายปลายทางอย่างนั้นก็พูดถึงเรื่องศีลกล่าวถึงสีชมเชยในศีลด้วยความรักความชอบใจความใคร่ต่อการรักษาศีล และพูดถึงเรื่องสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจถึงขั้นปัญญาถึงวิมุตติยาณาทัศนะในธรรมสิกประการนี้เป็นธรรมสำคัญมากสาหรับผู้ปฏิบัติพื้นฐานที่จะให้เกิดความสงบเย็นใจตั้งแต่สมาธิขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติยานทัศนะ ย่อมไปจากอปิชาตาความมักน้อยออกจากอวิริยารำพาการประกอบความภาคเพียรออกไปจากอสังธกณิกาไม่คุก ค, คืีกับประชาชนญาติโยมตลอดเพื่อนฝูงท่าเนนด้วยกันวิเวกตาชอบความสงัดวิเวกเป็นประจำนิสัยนี่แหละเป็นถ้าว่าปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยสำคัญ เป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจได้เป็นอย่างดีในครั้งปุตธการท่านถือหลักธรรมเหล่านี้เป็นทางเดินอันสําคัญไม่เห็นสิ่งใดเลิ่อเรือยยิ่งกว่าทางเดินคือสันเหลกระทนี้ถ้ากล่าวก็กล่าวทำจิตประการนี้เป็นพื้นฐานของสมณะพี่สนทนากันท่านเรียกกาเลยนะธรรมสากัะฉาเอตัมมังคารมุตตัมมัง คือการสนทนาธรรมะกันตามการตามสมัยคือสนทนาในธรรมเหล่านี้เองสันเลยกับธรามเป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาหรือเป็นพื้นแห่งธรรมที่ควรสนทนาสาหรับสมณะเราและประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นไปตามนั้นคาว่าสมาธิจะไม่นอกเหนือจากธรรมเหล่านี้เป็นเครื่องคุ้มครองรักษาไปได้เลย ความสงด ก, ก็เป็นเครื่องรักษาสมาธิได้ดีความอยู่คนเดียวในที่เปลี่ยวๆ ย, ยิ่งทำให้มีการรักษาจิตใจได้ดีเพราะความกูัวความหวาดเหี่ยวย่อมมีสติจิตย่อมหันเข้าพึ่งธรรมตามธรรมดาของจิตจะเร่ๆร่อนๆเกาะโน่นเกาะนี้หาที่ยึดที่เกาะไม่แน่นอนส่วนมากมักจะเป็นพิษภัย แต่เวลาเข้าจนกรอกจ ม, มุมในสถานที่เปียเป่ยวๆที่น่ากลัวเช่นสัตว์ร้ายเป็นต้นหยิบย่ำจะย้อนตัวเข้ามาสู่ภายในารายึกถึงธรรมมีสติธรรมเป็นสําคัญสติบังคับจิตใจเป็นตายก็ให้อยู่กับความรู้หรือจะมีธรรมบทใดเป็นเครื่องบริกรรมกํากับใจไม่ให้สงสายไปสู่ภายนอกเช่นอารมณ์ที่กลัวนั้นเป็นต้น จิตย่อมเข้าสู่ความสงบในข้อนี้ผู้ปฏิบัติถ้าเอาจริงเอาจังจะเห็นได้อย่างชัดเจนนี่เคยปฏิบัติมาแล้วเมื่อไปอยู่ในสถานที่ปกลัวตามรรมดานิสัยของจิตย่อมจะออกชอบจะออกสู่อารมณ์ที่น่ากลัวเช่นเสือเป็นต้นจะไม่ยอมทำงานคือกิตตะภาวนาของตนที่ควรจะทำนั่นเลย จะคิดถึงเรื่องเสือบ้างเรื่องหมีบ้างเรื่องอันตรายใดๆก็ตามคิดจะทรายแสบไปถือเอานั้นมาเป็นอารมณ์และเสริมความกลัวเสริมความฟุ้งซ่านเสริมความทุกข์ให้เกิดมากขึ้นในสถานที่เช่นนั้นแทนที่จะเป็นที่สงบเยอเือกเย็นกลับเป็นค่าศิกต่อตอนได้เพราะความคิดนั้นพาให้เป็นค่าศิกไม่ได้เป็นไปตามองค์ภาวนา ดังที่ท่านสอนว่าสอนไว้ว่าให้ไปอยู่ในสถานที่เปลี่ยวแล้วภาวนาดีคําว่าภาวนาดีคือมีสติดีอยู่กับตัวไม่ยอมให้ส่งไปเลยอะไรก็ตามยิ่งเป็นของน่ากลัวมากเพียงไรห้ามให้จิตคิดไปถึงสิ่งที่น่ากลัวนั่นเลยให้คิดให้ยึดจิตติดอยู่กับคําบริกรรมถ้าผู้อยู่ในภูมิบริกรรม ผู้อยู่ในภูมิวิปัสสนาก็พิจารณาทางด้านวิปัสสนาแยกธาตุแยกขันธ์ของสัตว์ ร, ร้ายมีเสือเป็นต้นดังที่เคยเขียนไว้แล้วในปฏิปทาเล่มที่ผ่านมานี้คือแยกธาตุแยกขันธ์ของเสืออันนี้ของสัตว์ ร, ร้ายมีเสือเป็นต้นนี่เป็นไปตามภูมิของผู้ปฏิบัติถ้าในขั้นสมาธิหากจิตเป็น ตัวของตัวเป็นองค์ของสมาธิดีพอประมาณแล้วก็ให้อยู่กับความรู้คือความรู้เด่นๆอันเป็นองค์ของสมาธินั้นไม่ยอมให้เคลื่อนค้าดไปสู่อารมณ์อันเป็นข้าศึกหรือไม่วาดภาพอารมณ์ที่เป็นข้าศึกเข้ามาทำลายจิตใจให้เกิดความกลัวความต ก, กตกใจและเกิดความทุกข์ขึ้นมาให้อยู่แนบสนิทกับสมาธิ ถ้าจิตยังไม่เป็นสมาธิก็ให้แนบสนิทอยู่กับคำบริกรรมเช่นพุโทโธพุโทโธเป็นต้นโลกอันนี้เหมือนไม่มีสิ่งใดมีแต่คำว่าพุโทโธกับความรู้ที่กลมกลืนกันอยู่เท่านั้นไม่นานนักคาว่าพุโทโธกับความรู้กลมกลืนกันนี้แหละจะเป็นพลังหนึ่งขึ้นมาภายในจิตใจเกิดความแน่นหนามั่นคงเป็นที่ยึดเป็นที่เกาะของจิตใจได้ดี จากนั้นก็ความกลัวก็หายไปหมดแม้เราจะคิดออกไปสู่สิ่งที่น่ากลัวก็ไม่กลัวนีน่ผิดกันไหมกับจิตเบื้องต้นที่หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้คิดไปเท่าไหร่ยิ่งเกิดความกลัวยิ่งเกิดความทุกข์มากนั่นพอจิตได้หลักได้เกณฑ์เป็นตัวของตัวแล้วแม้จะคิดออกไปสู่ภายนอกก็ไม่ก็ไม่กลัวนอกจากไม่กลัวแล้วยังกล้าหารทานใจขึ้นอยูด้วยน่ะนี่แหละวิธีการแห่งการภาวนา ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาในที่เปลี่ยวๆผู้ที่อ่านแต่ตำหนับตำลาไม่เคยได้ดำเนินเลยไม่ย่อไม่ทราบคุณค่าแห่งการดูป่าคุณค่าแห่งการแสดงไวเหล่านี้ในธรรมเหล่านี้ไวแต่เพียงจดจำมาเพียงเท่านั้นไม่ถึงใจแต่ผู้ได้นำธรรมเหล่านี้ออกปฏิบัติได <c oughs> ้ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้ จนเป็นเนื้อเป็นหนังของผู้ปฏิบัติทั้งหลายแล้วย่อมจะเห็นคุณค่าแห่งธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยตั้งแต่พื้นพื้นของจิตที่หาความสงบไม่ได้ก็ได้ความสงบมีความสงบได้ในสถานที่น่ากลัวเช่นนั้นดังที่กล่าวมาตะคู่นี้ยิดไม่ยอมไม่ออกสู่ภายนอกให้อยู่กับ คำบริกรรมนั้นเป็นกับตาก็าตามมอบไว้กับที่ตรงนั้นให้มีอยู่เพียงอันเดียวสองกับคำบริกรรมเท่านั้นคําอันเดียวคือผู้รู้สองกับคำบริกรรมจะเป็นคําใดก็ตามให้มีเพียงเท่านี้นอยู่ในป่าในลกไม่สนใจกับป่ากับโลกไม่สนใจกับสัตว์กับเสือใดๆเลยให้อยู่กับความรู้นี้เท่านั้นนี่เคยปฏิบัติแล้วเพื่อเป็นคติแต่เพื่อนฝูงใน ปัจจุบันนี้เราได้เห็นอย่างชัดเจนภายในใจิตใจว่าการทําอย่างนี้สามารถกําจัดความกลัวทั้งหลายได้เป็นอย่างดีนอกจากนั้นแล้วยังทําให้เกิดความกล้าหาญชาญชัยขึ้นได้เมื่อจิตได้เป็นหลักเกณฑ์สําหรับตัวเองแล้วเนี่ย อันดับที่สองจิตที่มีสมาธิย่อมอยู่ในองค์แห่งสมาธิไม่เคลื่อนคาดออกไปสู่อารมณ์ใดทั้งสิ่นขึ้นชื่อว่าอารมณ์เป็นที่น่ากลัวหรืออารมณ์ให้เกิดนิยลด์แล้วนี้ก็เป็นหลักเตือนได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันเมื่อไปอยู่ในสถานที่เบียดเบี้ยวในสถานที่น่ากลัวอันดับที่สามเมื่อจิตก้าก็สู่วิปัสสนาแล้วย่อมจะไม่ถืออารมณ์ทั้งสองอย่างที่กล่าวมาผ่านมานี้เป็นอารมณ์เป็น เครื่องทํางานแต่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแยกธาตุแยกขันธ์สิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายเช่นเดียวกับเราแยกธาตุแยกขันธ์ของเราจนหาที่กลัวไม่ได้ดังที่กล่าวไว้แล้วในปฏิปทาว่าเช่นสัตว์เสือเป็นต้น่นะกลัวอะไรมันค้นหาสิ่งที่น่ากลัวในตัวของสัตว์ร้ายตัวนั้นนี่อะไรตั้งแต่ผมของมันโอ้ตั้งแต่ขนของมัน หนังของมันหูของมันตาของมันจมูกของมันเขี้ยวของมันถึงภายในของมันทุกอวัยวะจนกระทั่งถึงหางของมันหมดทุกชิ้นทุกอันมันมีแต่ธาตุมีแต่ดินแต่น้ําแต่ลมแต่ไฟถ้าว่าขนก็สักแต่ว่าขนไม่มีความหมายอันใดที่จะน่ากลัว ตัวของมันขนของมันเองตัวขนเองก็ไม่มีความหมายในตัวเองและไม่ทําให้ผู้อื่นผู้ใดหวาดกลัวต่อขนของมันอวัยวะอื่นๆก็ไม่ทราบความหมายของตัวเช่นเดียวกันและไม่มีความหมายกับผู้หนึ่งผู้ใดที่จะกลัวหรือไม่กลัวก็ตามมันเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็เป็นเอ็นเป็นกระดูกตามสมมุติที่ตั้งไว้นั้นเท่านั้นและเป็นเครื่องมือ ของจิตดวงที่ครองร่างของสัตว์นั้นอยู่เช่นเดียวกับร่างกายของเหล่านี้เป็นเครื่องมือของใจที่ครองร่างนี้อยู่ที่เท่านั้นไม่ได้ทราบไม่ได้มีความหมายกับใจนี้เลยแม้จะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่วันเกิดก็จนกระทั่งถึงวันตายก็ตามอวัยวะเหล่านี้จะไม่มีความหมายในตัวเองและไม่มีความหมายในใจคือไม่มีความหมายเข้ามาสู่ใจเหมือนใจไปมีความหมายกับเขาเลย น, นั่นนี่แหละการแยกธาตุแยกขันธ์ แล้วก็ไม่กลัวอีกเช่นเดียวกันว่าไม่ทราบจะกลัวหาอะไรแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญาแยกไปตรงไหนก็เห็นชัดด้วยปัญญากระดูกสัตว์ร้ายกับกระดูกของเรามันก็อันเดียวกันนั่นเมื่อเทียบกันเขาแล้วน่ากลัวที่ตรงไหนถ้าถ้ากลัวกระดูกสัตว์ร้ายก็ต้องกลัวกระดูกของเราด้วยสิเพราะเป็นอันเดียวกันขนก็ดีอวัยวะของสัตว์ร้ายกับของเราไม่เห็นมีอะไรแปลกกันเอามาเทียบกัน ทำไมจึงไปกลัวในสิ่งอย่างนั้นหาเหตุหาผลไม่ได้มีแต่ความหมายความหลอกรวมตัวเองด้วยอํานาจของกิเลสเท่านั้นเองมาดูของตัวเองไม่กลัวมิหนำทาอย่างรักยังสงวนยังยึดยังถือนี่สองชั้นสามชั้นสี่ชั้นเข้าไปด้วยความผูกมัดของกิเลสอันเป็นกลมายาสําคัญแล้วก็ไปเกิดความสําคัญมั่นหมายกับสิ่งภายนอกว่าน่ากลัวสิ่งนั้นน่ากลัวอวัยวะอันนี้ ของสัตว์นั้นของสัตว์นี้มีตั้งแต่เรื่องหลอกลวงตนเองนี่คือปัญญาพิจารณาแยกแย ก, กึนกระทั่งปันนี้แล้วจะเอาอะไรมากลัวนั่นนอกจากนั้นจิตที่ที่เก้าเข้าไปสู่ถึงความละเอียดจนกระทึงทั้งถึงความบ้างเปล่านะพอปรุงแผลขึ้นมาเป็นภาพของสัตว์ร้ายจะเป็นสัตว์ชนิดใดก็าตามใจเป็นผู้ปรุงขึ้นมา พอปรุงแปบขึ้นมาเพียงเท่านั้นปรากฏออกจากมโนภาพของตัวเองไปเป็นสัตว์เป็นเสือเป็นงูเป็นอะไรก็ตามเป็นสัตว์ร้ายต่างๆเกิดขึ้นจากภายในจิตใจไปวาดภาพออกไปเช่นเดียวกับเขาฉายหนังออกจากฟิล์มนี้ไปปรากฏในจอนแล้วก็หลงอยู่ที่จอนั้เสียว่าเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆความจริงมันก็อย่างที่กล่าวนี่แหละมันออกไปจากฟิล์มอันนี้ฉายออกไปนั้นอันนี้ก็ออกไปจาก ฟิลภายในจิตใจของเราเมื่อมีสติแล้วย่อมรู้ทันพอปรากฏภาพขึ้นมาเท่านั้นภาพนั้นก็ดับไปรู้ทั้งเวลาปรากฏขึ้นมาว่าภาพนี้ออกไปจากใจไม่ใช่ออกไปจากไหนไม่ใช่มาจากที่ใดแล้วดับลงก็แล้วก็หายไปที่ใจไม่มีจากที่ไหนนี่เป็นประเภทหนึ่งพอปรากฏภาพขึ้นมา มันยังไม่ได้แยกว่าธาตุว่าขันเป็นอะไรมันดับไปพร้อมๆกันเพราะอํานาจแห่งความรวดเร็วของสติปัญญาที่รู้เท่าทันนี่การพิจารณาในสิ่งที่น่ากลัวทั้งหลายการพิจารณาที่กล่าวมาเหล่านี้ตั้งแต่เบื้องต้น ถ, ถึงวิปัสสนาขั้นนี้มีผลมีประโยชน์มากมายต่อยิทธะภาวนาของเราเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในสถานที่เปี่ยวสถานที่น่ากลัว เพื่อจะได้เห็นเหตุเห็นผลเพื่อจะได้รู้คุณค่าของตัวเองคุญค่าของสติคุณค่าของปัญญาคุณค่าของความเพียรจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีใดเมื่อไปถึงคราวจนกรอกเป็นมุมและถึงสถานที่ที่น่ากลัวเช่นนั้นแล้วผู้ที่ต้องการเหตุการณ์ผลต้องการความสัจจริงอยู่แล้วทำไมจะไม่หมุนเข้าสู่ความจริงเราเมื่อหมุนเข้าสู่ความจริงแล้วย่อมจะทราบความจริงได้โดยตลอดตัวถึงหายความกลัว แล้วจิตใจก็ยิ่งเพิ่มกําลังวังชาขึ้นไปโดยสังรังดลาดานี่ท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในปา่าในที่เปลี่ยวเปลียวนะเป็นอย่างนี้เองนี่หลักการบําเพ็ญหากว่าเราไม่ไม่ได้ไปทดสอบไม่ได้ไปดําเนินดังที่ท่านสอนไว้เราจะไม่เห็นคุณค่าแห่งธรรมเหล่านี้เลยก็จะเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาว่าอยู่ป่าก็อยู่ธรรมดาอะไรก็ธรรมดาไปหมดเพราะจิตมันด้าน จิตมันมันไม่ยอมรับความจริงเมื่อได้ได้ไปอยู่ได้ไปเจอเหตุการณ์ต่างๆขึ้นมาดังที่ว่านี้แล้วจิตจะช่วยตัวเองสิ่งที่ไม่เคยคิดจะคิดสิ่งที่ไม่เคยรู้จะรู้สิ่งที่ไม่ยิตที่ไม่เคยฉลาดจะฉลาดขึ้นมาเพื่อช่วยตัวเองเนี่ยเป็นของสำคัญในการพิจารณาขอให้ทุกท่านได้จดจำเอาไว้ได้ประพฤติปฏิบัติตัวเองอย่ากลัวเถิ้เรื่องความตายนั่นนะ่ะ มอย่างไรมันก็ตายมันเพียงธาตุที่รวมกันผสมกันอยู่นี้เป็นก้อนเป็นก้อนสัตว์ก้อนบุคคลก้อนเขาก้อนเราเพราะใจเป็นผู้ครองร่างและรับผิดชอบอยู่เท่านั้นเมื่อถึงการเข้ามาแล้วก็สลายตัวไปมีเท่านั้นท่านเรียกว่าเกิดก็คือส่วนผสมนี้รวมตัวแล้วมีจิต ที่ตที่วิญญาณเข้าอาศัยอยู่ในนั้นแล้วยึดเป็นเจ้าของยึดเป็นตัวการ <m> เป็นผู้รับผิดชอบเมื่อสิ่งเหล่านี้หมดสมรรถภาพแล้วใจก็ถอนตัวออกมาสิ่งเหล่านี้ก็ลงไปเป็นดินเป็นน้ําเป็นลมเป็นไฟตามเดิมของตนทั้งๆ ท, ที่อยู่ในร่างของเรานี้มันก็คือธาตุอันนี้เองไม่ได้เปลี่ยนแปลงเป็นอื่นไปสลายลงไปมันก็ไปเป็นธาตุอันเดิมของมันนะแต่เปลี่ยนแปลงลักษณะเท่านั้นเอง ไม่เห็นว่าเป็นดินชัดเองเหมือนที่มันเป็นดินอยู่แล้วเท่านั้นแต่ก็เป็นธาตุดินนั่นแหละธาตุน้ํานั่นแหละจิตก็ถอนตัวออกมาแล้วไปสู่ปฏิทินที่ใหม่ไปเกิดใหม่ก็ไปเอาอย่างนั้นแหละไปอาศัยอย่างนั้นแล้วตายไปหรือว่าตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายมันก็มีอยู่เพียงเท่านี้ในวัดตะวนันไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้เลยเราตื่นเต้นอะไรกับความเกิดความตายเราหวังอะไร ในเรื่องความเกิดความตายมันมีเต็มโลกเต็มมงสาเต็มท่านเต็มเราอยู่ด้วยกันบกท่องที่ตรงไหนสงสัยที่ตรงไหนถึงได้นอนใจนอนจงไม่พิจารณาแก้ไขจิตใจตัวเป็นเสนีย์จนไรแต่ตัวของตัวเองเพราะความโง่เขลาสร้างตั้งแต่ความทุกข์ให้แบกให้หามให้ทนทุกข์ทรมานในภพในชาติต่างๆไม่หยุดยั้ยงจนกระทั่งปัจจุบันนี้ เราก็แบกธาตุแบกขันพาราหาเวปัญจขันธ์เป็นกองทุกข์อยู่ตลอดเวลาจนกว่าจะได้ปล่อยวางอันนี้ขณะที่จะปล่อยวางทุกข์มากขนาดไหนทุกถึงขนาดที่ทนไม่ได้นะต้องแตกกระจายไปนั่นเองน่ะดูเลเกิดก็ทุกแสนสะอาดแต่เรามองข้ามกันยินดีทั้งแต่เรื่องความเกิดลูกของคุณเกิดเป็นผู้ชายผู้หญิงหี่ลูกของข้าเกิดเป็นผู้ชายบางเกิดผู้หญิงบ้างดีอกดีใจผู้ที่เล็ดลอดออกมาจาก ช่องแคบๆสลบสไลดยบางลายตายยนท้องก็มีมาตายอยู่ที่ช่องแคบก็มีตกออกมาแล้วตายก็มีไม่ทุกมันจะตายเหรือพิจารณาซิมันเป็นของดีที่ตรงไหนเป็นความสุขที่ตรงไหนในเรื่องความหมุนเวียนเพื่อเกิดเพื่อตายเนี่ยอยู่ตรงไหนมีตั้งแต่กองทุกอยู่ในท้องก็กองทุกนอนจมอยู่ในท้องแม่ขี่ดือนเป็นทุกหรือไม่เป็นทุกถ้าเจ้าของไม่รับทราบ คือเจ้าของจําไม่ได้ว่าความทุกข์นีมากน้อยเกี่ยงไรดูตามหลักธรรมชาติคือความจริงนี้คือตัวทุกข์ที่นอนอยู่ในท้องแม่นั้นคือตัวทุกข์ดิ้นรนกระวนกระวายตกทอดออกมาจนกระทั่งถึงคลอดออกมาก็เป็นทุกข์เป็นทุกข์อยู่ตลอดเวลาพิจารณนี่แหละเรื่องกองทุกข์อะไรมาสร้างให้เป็นกองทุกข์อะไรพาให้เกิด นี่ก็ได้สอนแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มหัวใจที่ได้รู้ได้เห็นอย่างไรในการประพฤติปฏิบัติแต่ก่อนก็ได้ดูตามตำหลับตำหลาว่าการเกิดเป็นอย่างนั้นการเกิดเป็นนี้ธนวัฒชารติปิุกขาชราปิุขามาณนัมปิุขังในธรรมจักกับวัฒนสูตรท่านแสดงไว้นี้เรื่องล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องกองทุกในในธาตุในขันธ์นี้เท่านั้นท่านไม่ได้บอกว่าภูเขาเป็นทุกต้นไม้เป็นทุกขดินฟ้าอากาศเป็นทุกขน้ำเป็นทุกขลมเป็นทุกข ท่านบอกว่าขันนี่เป็นทุกขันนี่ใครพาให้มันเป็นทุกข์ก็คือหัวใจดวงหลงๆนั่นเองพาให้เป็นทุกข์ถ้าพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันจริงๆแยกลงไปตามหลักอริยสัจาจริงๆแล้วดินมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ําที่ทุกข์ที่ตรงไหนลมไฟมันทุกข์ที่ตรงไหนน้ําเต็มแผ่นดินลมนนเต็มแผ่นดินไฟเต็มแผ่นดินตรงไหนมันอันไหนมันเป็นทุกข์มันไม่ได้เป็นทุกข์ ที่เป็นทุกข์ท่านมาเป็นทุกข์เป็นทุกข์นี่หมายถึงใจดวงหลงนั่นแหละดวงหลงหลงนั่นแหละเป็นผู้แบกทุกข์หามทุกข์เป็นผู้หลงทุกข์ไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดเพราะฉะนั้นจึงต้องมาแก้ตัวนี้แก้ผู้ที่หลงทุกข์นี้เองด้วยการพิิจพิจารณาแยกท่าแยกถันก็เพื่อจะได้เปลื้องตนออกจากความสําคัญว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเราเป็นของเราและถอนตัวออกมาด้วยความทราบชัดว่านั้นเป็นดินนี้เป็นน้ํานั้นเป็นลมนี้เป็นไฟ แข้งขาอาวัยวะนี้เป็นเครื่องมือที่เราจิตใจนี้ใช้เท่านั้นเองความจริงแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ทราบความหมายตัวเองว่าเป็นมือเป็นเท้าเป็นจมูกเป็นตาเป็นหูอะไรๆไม่ได้มีความสําคัญในตนไม่มีความหมายในตนมีแต่ใจไปให้ความหมายทางนั้นและใจก็เป็นผู้หลงอยู่เต็มหัวใจด้วยพระอาจารยท่านาจึงสอนให้เขาพิจารณาทางด้านจิตใจไม่สอนที่อื่นจะสอนอะไรเรื่องธาตุเรื่องขันสอนให้มันเป็นอร่อย นอกจากสอนตัวใจดวงใจดวงมันรุ่มหลงนี่ให้รู้เรื่องรู้ราวออืแล้วมันจะได้ปล่อยวางอุปทานความยมดมัน่นถือมัน่นในดินในน้ำในลมในไฟที่สําคัญว่าเป็นตัวเลือกขอนี่ออกเสียโดยหลักธรรมชาติของเขาให้อยู่ตามหลักธรรมชาติของเขาใจของเราก็ย้อนเข้ามาเป็นตัวของตัวไม่ยึดไม่ถือกับสิดใด้ปัดถอนเข้ามาถอนเข้ามาดังที่ได้กล่าวแล้วทุกทุกครั้งก็ได้ว่า การพิจารณารูปประคันพิจารณาเพื่ออะไรก็เพื่ออย่างนี้เองเวทนาสัญญาสังขาร ญ, ญาณก็เพื่อจะให้เห็นความจริงของมันทุกจริงจริงมันอะไรเป็นทุกตัวทุกจริงจริงมันมีความหมายในตัวของมันไหมแล้วมันมาให้ความหมายแก่เราไหมว่ามันเป็นค่าศึกต่อเรามันเป็นทุกต่อเรามันไม่ได้ให้ความหมายแก่เราด้วยไม่มีความหมายแก่แกทุกเวทนาด้วยเป็นแต่ใจเป็นผู้รับทราบเป็นผู้ลุ่มหลง เป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์กับของทุกมากน้อยภายในขันที่มันเกิดขึ้นภายในขันนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เห็นอย่างชัดเจนด้วยจิตตภาวนาแล้วว่านะกายก็สักแต่ว่ากายนั่นสติปัฏฐานสีท่านว่าไว้คําว่ากายสักแต่ว่ากายคือไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวกายเองก็เราไปตั้งชื่อให้มันว่ามันเป็นกายตัวกายเองมันไม่ได้ว่ามันเป็นกาย มาศึกแต่ว่าธาตุอันหนึ่งเท่านั้นทุกเวทนาที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจภายในร่างกายนี้ก็เหมือนกันทุกเกิดขึ้นก็เช่นเดียวกับไฟแล้วก่อไฟขึ้นความร้อนมันปรากฏขึ้นกับไฟนั้นแล้วไฟรู้ความหมายขอยงตัวไหมแล้วความร้อนนั้นรู้ความหมายขอยงตัวไหมไม่รู้ผู้ไปสัมผัสสัมพันธ์มาต่างหากรู้เช่นเราเข้าไปใกล้คิดกับไฟมันก็ไหมเอาบ้างร้อนมัง่งนั่นนี่ตัวนี้ต่างหากเป็นผู้ร้อน ไม่ใช่ตัวใดจึงต้องพิจารณาให้มันเห็นชัดตามความจริงเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็มันก็สักแต่เป็นทุกในตัวของมันเองมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกพิจารณาแยกแยะให้มันเห็นชัดเจนกายก็สักแต่ว่ากายเนื้อหนังเองก็ดกทุกสัต์ทุกส่วนมันมีอยู่มัมาตั้งแต่วันเกิดมันไม่ยอมว่ามันเป็นเราเป็นของเรามันไม่ยอมว่ามันเป็นสุกเป็นทุกข มันนับเป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นตัวทุกเองที่ปรากฏขึ้นภายในจิตใจก็ไม่ได้สําคัญว่าตนเป็นทุกและไม่ได้สําคัญว่าตนไปให้ทุกแก่ผู้อื่นผู้ใดมันนักมีแต่ความสําคัญนั่นหมายของใจนิสต่างาไปไปหลงไปสําคัญว่าเราเป็นทุกส่วนนั้นเป็นทุกส่วนนี้เป็นทุกขแล้วก็มาเผาเจ้าของผู้ลุ่มหลงนี่แหละเมื่อได้แยกดูเห็นตามความเป็นจริงนี่แล้วทุกก็สักแต่ว่าทุกนะั่นลางจิ กายก็สักแต่ว่ากายเวทนาจักแต่วิเวทนาจิตก็จักแต่ว่าจิตนั่นสภาวธรรมต่างๆก็เป็นสภาวธรรมตามหลักธรรมชาติของตนนั่แล้วต่างอันต่างกินงไม่กระทบกันนี่จิตเมื่อพิจารณารอบนี่เราหมายถึงเราพิจารณารอบเป็นการเปิ่นเวลาไปไม่ใช่รอบตลอดทั่วถึงอย่างท่านเป็นสมุติเฉตปัตตานสมมติเฉตประหานคืออะไร คือรู้แจ้งแทงคะลุปล่อยฟ้าวางได้ดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือเป็นวิมุติตุดท้นจริงๆภาณในจิตใจเช่นจิตระารหันนั่นจะจะทำอย่างไรก็ตามจะให้ท่านล่มจมไปเพราะทุกเวทนาหยาบย่าทำลายนี้ไม่มีทาง <c oughs> เป็นอถานะเรียกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะท่านได้ถอดถอนออกหมดโดยสิ้นเชิงแล้วตั้งแต่ขณะบรรลุธรรมหรือตรัพยุธรรม ก็คือตรัปลุ้สิ่งเหล่านี้ให้ขาดเกล็ออกจากความเกี่ยวเนื่องกับใจนั่นเองเพราะฉะนั้นจึงจึงได้กล่าวว่าพระทหานตายในอิรยาบดใดก็ตายเถอะก็คือพระทหาร น, นั่นเองะไม่มีความล่มจมกับความสล า, ายไปแห่งธาตุแห่งขันนี้ในอิรยาบดใดๆเลยธาตุขันมันจะมันจะ สลาลงไปด้วยอาการใดด้วยอิริยาบถใดก็เป็นเรื่องของธาตุของขันสลายตัวเท่านั้นใจไม่ได้หลงใจไม่ได้งมงายใจไม่ได้ยึดไม่ไดถือในอิริยาบถท่าใดก็ตามใจไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยเพราะโดยสุ์พุทธโธเต็มที่แล้วนั่นเมื่อได้พิจารณาถอดถอนให้ถึงขั้นถึงภูมิแล้วย่อมอยู่สบายอย่างนี้เอง <c oughs> ไม่ใช่จะต้องต่อสู้กันอยู่เรื่อยกับทุกขเวทนาไม่ใช่นั้นมันเหยียบย่ำธัญญาจิต อย่างนี้ไม่มีสำหรับจิตที่เป็นสมมติเฉดตะปหารละไปตับถาดโดยสิ้นเชิงแล้วนี่ผลของการภาวนาทั้งนี่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายถ้าจิตได้ลงได้พ้นจากนี้แล้วจะเห็นอย่างชัดเจนเราจะเคยเกิดมากี่ภพ ก, กี่ชาติกี่กับกี่การก็ตามมันขาดสะบัานออกจากกันเหมือนกับว่าข า, าดญาติขาดมิตรกันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเป็นเงื่อนต่ออีกแล้ว ปัจจุบันก็รู้เท่าทันเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์อยู่โดยหลักธรรมชาติของใจไม่มีสิ่งใดจะเป็นเงื่อนติดต่อกันเลยทําไมจะไม่ทราบเมื่อจิตทั้งตัวเป็นแค่นั้นแล้วเมื่อมันสืบต่ออยู่กับสิ่งใดก็ยังทราบเมื่อในการพิจารณาภาวนาให้เป็นความละเอียดเข้าไปความละเอียดเข้าไปย่อมจะทราบโดยลํำดับว่าจิตละอันใดได้แล้วจิตยังผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับจิตเกี่ยวโยงกับจิตยังละมาได้ ย่อมจะทราบไปโดยลำดับของของจิตผู้ภาวนาเมื่อถึงขั้นที่ขาดสะบั้นประจากกันแล้วย่อมจะทราบได้ถ้า เ, เปอร์เซนต์กับเกื่บรอยเปอร์อเซนไม่มีสงสัยและไม่ไปถามผู้หนึ่งผู้ใดอีกเลยเรื่องพบเรื่องชาิเป็นอันว่าสิ้นสุดยุติกันเพียงแค่นั้นนี่ท่านว่านี่ผ่านเที่ยงคือไม่มีคำว่าการสถานที่เวลาเมลลาอะไรที่จะมาเกี่ยวข้องอีกว่าสิ้สุดยุตินี่การ ในการนี้แล้วก็จะไม่ทิ้นสุญญุติในการหน้าเลยนี่ไม่มีท่านนหรอนี่ผ่านเที่ยงขอให้ทำจิตให้เที่ยงเถ อ, อะเมื่อจิตไม่มีสิ่งใดมาเกี่ยวข้องที่เรียกว่าของปลอมของปลอมของเทียมนั่นอ่ะไม่มีในจิตใจแล้วใจย่อมไม่ปลอมหมดความปลอมแล้วเที่ยงนั่นะสิ่งไม่เที่ยงทั้งหลายนั่นเป็นเรื่องของส ม, มุติอนิจจังทุกขังหน้าตามันเดินตามเรื่องของมันไปตลอดเวลาส่วนจิตที่ มรสุดพุทโธแล้วเอาอนี้จังทุกขัหาตาเข้าไปเกี่ยวข้องได้ยังไงนั่นแหละเที่ยงเที่ยงที่ตรงนั้นมีการปฏิบัติก็ให้ทุกท่านได้สนใจในสิ่งที่เรายังไม่เคยพบเคยเห็นคือไม่เคยตายนี่มีใหม่นี่มันเคยตายมาแล้วเคยเกิดมาแล้วเคยทุกข์เคยลําบากเคยติดเคยพันมาแล้วมีแต่สิ่งที่เคยเตรียมหัวใจเราเวลานี้ แล้วมันมีเสียที่โสอะไรเราจึงจะต้องนอนจมอยู่กับมันด้วยความนอนใจไม่พิจารณาไม่วขวันขวายพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประกาศธรรมสอนโลกเป็นผู้เช่นไรนิเลศใครได้ปราดทั้งหลายองค์ใดผู้ใดที่ได้ชมเชยว่ามันเป็นของดีเป็นของมีคุณค่าน่าติดน่าผัวพัน์ก็เท่ากับเราชอบฟืนชอบไฟชอบกองทุกนั่นเอง ถ้าเราชอบผินอย่างนี้เพราะอันนี้เป็นสาเหตุที่จะให้เกิดฟืนเกิดไฟขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยท่านจะเรียกว่าสมุทไทยแดนผิดทุกขปุ่นง่ายๆมันผิดขึ้นมาจากสมุทไทยคือจากกิเลสนี่เองทุกขึ้นมามากน้อยไม่เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากสมุทไทยคือกิเลสเนี่ยเมื่อทําลายเหตุคือสมุทไทยนี้ให้สิ้นซาบลงไปแล้วคําว่านิโรดนิโร ด, โรด ค, คือความดับทุกข์ไม่ต้องบอกก็ดับเพราะสมุทไทย เป็นต้นเหตุนั้นดับแล้วมักนี่ท่านเรียกว่าทางดําเนินเป็นเหตุเช่นเดียวกับสมุทยัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดมักเป็นสาเหตุให้ทุกข์ดับให้กิเลสดับเมื่อกิเลสดับแล้วทุกข์ก็ดับทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านี้ท่านก็ให้ชื่อประเภทหนึ่ ง, งขึ้นมาแยกเป็นสี่ประเภททุก เมื่อใจถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่แล้วหมดการตำหนิตดดิชมทั้งทุกข์ทั้งสมุทยัยทั้งนิโรธทั้งมรรคไม่ตำหนิไม่ชมจึงเรียกว่าอริยสัจจะทำเป็นของจริงถ้ายังตำหนินั่นอยู่ตำหนินี้อยู่จิตก็ยังไม่จริงสิ่งทั้งหลายนั้นยังถูกเสียสรนตัญญาว่นั่นเป็นนั้นนี้เป็นนี้เข้าไปอีกเยอะไปโยกไปยอเดี๋ยวไปตำหนิเขาเมื่อถึงขั้นบริสุทธิ์เต็มที่ แล้วต่างอันต่างจริงทุ ก, ก็จริงสมุทัยก็จริงแม้มันจะสิ้นไปจากใจแล้วมันก็จริงนิโรธก็จริงมากก็จริงแม้จะไม่ได้แก้กิเลสต่อไปอีกก็จริงเพราะสัจจะสัจธรรมทั้งสีประการนี้เป็นเครื่องแก้กิเลสอยู่แล้วกิเลสเป็นกิเลสอยู่แล้วจึงเป็นของจริงเต็มที่เมื่อจิตได้รอบตัวแล้วไม่มีสิ่งใดมาเป็นข้าศิกต่อกันอีกเลยนั่นแหละที่ธรรมชาติที่ พานขึ้นมาจากอริยสัจจะธรรมทั้งสี่คืออะไรนั่นคือความบริสุทธิ์นั่นไม่ใช่สัจธรรมนี่หลุดพ้นพ้นไปแล้วนี่แหละที่ว่าจิตจิที่ว่าความบริสุทธิ์คืออันนี้ไม่ใช่อริยสนะัจบริสุทธิ์นะอริยสัจจะบริสุทธิ์ที่ตรงไหนสมุทัยก็คือกิเลสเนะกกี่ยทุกข์ก็ก็คือผลของสมุ ท, ทยนะัยเนี่ยมรรคก็คือเครื่องมือแก้กิเลสนะจะให้เป็นนิพพานได้อย่างไง ได่เกลียดสิ้นซากลงไปแล้วนิโรธก็คือความดับทุกข์เท่านั้นสิ่งที่รู้ว่าทุกข์ว่าสมุทัยว่านิโรธมากคืออะไรและผู้ที่รู้รอบทำทั้งสี่ประการนี้คืออะไรและผู้บริสุทธิ์คืออะไรก็คือธรรมชาติที่ผ่านขึ้นมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กัน่นกรองนั่นเองนั่นนี่แหละท่านท่านว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ตรงนี้ไม่ใช่อนิยสัตว์บริสุทธิ์จิตทีต่ บริสุทธิ์จากสิ่งนี้แต่กอนจิปมันพัวพันอยู่กับอริ ย, ยสัจสําคัญที่สุดก็คืออริยสัจสองประเภทคือทุกข์กับสมุทิฏฐินั่นแหละมากไม่ค่อยมีต่อเมื่อมรรคได้มีกาลังขึ้นมาแล้วจึงสังหารสิ่งนั้นให้สําเร็จให้ให้ให เ, สเสร็จสิ้นลงไปแล้วก็กลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาเต็มที่นะที น, นี้ก็หมดหน้าที่มรรคก็หมดหน้าที่ที่จะแก้ที่เลี่ยดับที่เลี่ยดต่อไปอนี้โรดก็ดับ ขั้งสุดท้ายเมื่อมรรคมีกำลังเต็มที่แล้วเท่านั้นไม่มีอะไรที่นิโรธจะดับไปแค่ดับอีกนิโรธคือความดับถูกไม่มีอันใดที่จะให้นิโรธดับอีกเพราะสมุทัยดับไปแล้วนันี่ที่พูดที่แสดงอยู่ลานี้สดสดร้อนร้อนอยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านนะอยู่ในขันนี่เองไม่ใช่อยู่ที่ไหนไม่ใช่อยู่ที่เมืองอินเดียไม่ใช่อยู่กับพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นี้ ไม่ใช่อยู่กับภาษาโวองค์นั้นองนี้ที่ท่านผ่านไปแล้วนั่นเป็นเรื่องของท่านเป็นทุกข์เป็นสมุทยัยเป็นนิโรธเป็นมรรคเป็นความบริ้สึ์ของท่านนี่จะเป็นของเราที่เราฟังเวลานี้เราจะพิจารณาตามธรรมเหล่านี้และจะรู้เห็นธรรมเหล่านี้ขึ้นเป็นสมบัติแห่งใจของเราเป็นของเราอยู่ที่ระหว่างขันธ์กับจิตนี่ท่านเรียกว่าอริยสัจพิจารณาลงไปทก เกิดขึ้นจากสมุ ท, ทัยพิจารณาให้ดีเมื่อถึงขั้นมันรู้มันเห็นกันจริงๆหรือขั้นมากสามารถแต่กล้าแล้วจะไม่มีคําว่ากลัวอะไรทุกจะเกิดขึ้นมากน้อยไม่มีกลัวค้นหาสาเหตุจนเจอเพราะเรียกว่าเพราะหาของจริงไปกลัวอยู่จะไปเจอของจริงได้ยังไงผู้ปฏิบัติที่จะเข้าถึงธรรมของจริง เต็มส่วนแล้วย่อมไม่มีกลัวในสัจธรรมทั้งสี่ไม่มีกลัวอันใดสมุทัยก็ไม่กลัวทุกก็ไม่กลัวอยากทราบแต่ความจริงของสิ่งหนึ่งเท่านั้นเน่ะเช่นสมุทัยก็เป็นความจริงหนึ่งอยากทราบความจริงจากธรรมชาตินี้และอยากทราบความจริงจากทุกอยากทราบความจริงจากนิโรธจากมรรคทุกสิ่งทุกอย่างค้นลงไปแต่ความที่จะมาสนใจอยากทราบความจริงสั่งมรคนี้ไม่ค่อยสนใจขอยให้สนใจในจุดที่ว่าอยากทราบ ความจริงจากสมุทรไทยและมักเรื่องอสมุทรไทยและทุกเมื่ออันนี้ได้แจมแจ้งแล้วเรื่องมากก็ต้องย้อนเข้ามารู้เองโดยไม่ต้องสงสัยอันนี้รู้ได้ไง่ายๆส่วนทุกกระสมุอไทยนี้รู้ได้ยากอันนี้ไม่กำหนดเขารู้เมื่อรู้เต็มที่แล้วก็ถอนตัวออกมาพอถอนตัวออกมาก็ทราบได้อย่างชัดเจนว่าทำทั้งสี่ประเภทนี้เป็นสัจจ ะ, ะเป็นของจริงเครื่องกันกรอง ให้ได้หลุดพ้นให้บริสุทธิ์ ข, ขึ้นมาเพราะสัจธรรมทั้งสีเพราะฉะนั้นสัจธรรมทั้งสี่ที่มีอยู่ในองค์พุทธศาสนานี้เดิมเป็นธรรมอนุรักเป็นธรรมประเสริฐพระพุทธเจ้าหลุดพ้นขึ้นมาจากอริสัตนี้เพราะฉะนั้นอริสัตนี้จึงเป็นเครื่องยืนยนันศาสนาว่าเป็นของแท้ของจริงเป็นเครื่องยืนยันว่าผู้จะบริสุทธิ์ต้องได้ผ่านอริสัตนี้ไปถ้าไม่มีอริสัตแล้วไม่มีทางยังไรก็ไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้เนี่ยเพราะอันนี้เป็นเป็นจุดที่สําคัญอยู่มากทีเดียว ฉันขอให้ทุกท่านได้พยายามยาลดละทอถอยความเพียรให้หาอุบายหลายวิธีการเราอย่าใช้แต่วิธีการอย่างเดียวอย่างเดียวไม่ทันกับกิเลสอุบายใดที่จะเกิดสติปัญญาเพื่อให้ทันกับกิเลสแล้วให้นํามาพิมพิจนานะํามาแก้มาไขกันผู้ปฏิบัติย่อมเป็น ผ, ผู้ผิดสติปัญญาอยู่เสมอผิดเสมอผิดเสมออะจะดยูด่ซือซ่อซือซ่อซาซา นี่ส่วนมากมักจะเป็นอย่างนั้นมันแสดงออกมาภายนอกให้เห็นอยู่ออืตาก็เห็นหูก็ได้ยินพูดรอบข้อหรือไม่รอบข้อกิจกาที่ทํารอบข้อหรือไม่รอบข้อเป็นความโง่หรือความฉลาดที่การแสดงออกมาจากวีดิอาการของแต่ละรล า, ายเป็นอย่างไรนี่มันเป็นเครื่องประกาศให้เห็นอยู่ว่าไม่ใช้สติไม่ใช้ปัญญาทําอะไรไม่ใช่สติไม่ใช้ปัญญามันดีที่ตรงไหนเออมันความฉลาดมันก็เป็นฉลาดไปทางชี้เหลือเสียไม่ใช่ฉลาดฉลาดที่จะแก้ชิเลื ท่านเลยหาความหลุดพ้นหรือหาความเบาบางภายในจิตใจไปนั่ได้ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เห็นแล้วนี่ก็เคยพูดแล้วอผู้ที่ฝากเป็นฝากตายท่านในอย่างแท้จริงก็ร่วงโรยไปร่วงโรยไปเราก็ยังไม่เป็นตัวของเรานี่จะทํายังไงก็ยังอ่อนเปียกอ่อนเปียกเหมือนกับทาโรคพึ่งคลอดคือนี่จะทํายังไงช่วยตัวเองไม่ได้อมจะ ต, ตกน้ําเข้าไฟ ตกเิวตกบอ่อก็ไม่ทราบว่าตนจะไปตกอะไรนี่ก็เหมือนการตกเหวตกบอ่อหมายถึงอะไรหมายถึงกิเลสมันต้มมันตุ๋นอยู่ตลอดเวลาเราก็ไม่ทราบทางมาทของมันนี่มันลําบากนะจะแก้ยังไงเดินโยงกลมเอาให้มันให้ให้มันเห็นสิมันจะเหนื่อยมันจะเมื่อยไปไหนขนาดไหนให้มันดูดูสิว่าการเดินโยงกลมถึงขนาดที่เมื่อยหิวอ่อนเพลียนี่มันได้อุบายขึ้นมาอะไรบ้าง ก็ใหเห็นอีกความเมื่อยความเพียรก็ให้ได้เห็นกันอีกพิจารณาอันนี้เป็นความเพียรอีกถ้ามันหลายขั้นหลายภูมิที่ผููปฏิบัตินั่งก็เหมือนกันเวลาจะต่อสู้กับกับทุกขเวทนาเอาฟัดกันลงไปสติปัญญาอย่าถอยนะอย่าอดอย่าทนเฉยเฉยทนทุกขเฉยไม่เป็นท่าเหมือนกับสู้เสือด้วยกำปั้นนั่นเนี่ยตายไม่มีเหลือต้องสู้ด้วยสัตว์ราวุธนี่ก็ต้องสู้ด้วยสติปัญญาเป็นสัตว์ราวุธ ของการพิจารณาเพื่อจะรู้ความจริงทั้งหลายทําไมจะไม่รู้ความจริงมีอยู่เพราะพระพเจ้าแสดงไว้อย่างสดสดร้อนร้อนไม่ได้ห่างไกลาจากตัวของเราเลยอยู่ในตัวของเรานี่านั้นแต่มันตัณฑูกิเลสปิดเอาปิดเอาปิดไว้ปิดไว้หนึ่งเดียเราไม่สามารถจะรู้ทันมันมันแหลมคมมากพูดแล้วพูดเล่ากิเลสแหลมคมมันถึงใจนี่แหละเพราอได้ฟัดกันแล้วเนี่เรื่องกิเลสแหลมคมนี่แหมแหลมจริงจริงคมจริงจริง ชาติปัญญาศรัท ธ, ธาความเพียรกําลังวางชาบมีเท่าไหร่หอมมาหมดถ้ า, ากว่ามีอยู่ในสามเดือนโลกธาตุนี้ก็รวมกันมาเลยมาฟัดกับกิเลสถึงขนาดนั้นยังแพ้มันได้ที่ดูสิมันเก่งไหมไม่เก่งมันจะครอบโลกธาตุได้หรือให้สัตว์ต่างๆเกิดแก่ใจในสามเดือนโลกธาตุไม่แต่กิเลสทาให้เกิดทั้งนั้นทาให้ตายทั้งนั้นทาให้วกเยียนทั้งนั้นไม่มีอะไรทาให้วอกเยียนนี่มันฉลาดไหมไม่ฉลาดมันเป็นนายครอบหัวใจได้ยังไงนี่แหละ นี่เราจะเอามันลงจากหัวใจเราที่มันต้องในท่มกันอย่างเต็มที่เอาชีวิตจิตใจเข้าว่าเลยอะไรๆมีสไลด์ไม่เสียดายอขอให้หลุดพ้นคือขอให้ชนะเดีนี้เพียงเท่านั้นเต็มที่พอใจเอาตายก็ตายถึงขนาดนั้นเมื่อเวลามันเข้าถึงตาจนจริงๆแล้วคําว่าถอยไม่มีจิะอยากเข้าใจว่ามันจะโง่ตลอดไปและอยากเข้าใจว่าจิตนี้จะอ่อนแอตลอดไปนะถึงขั้นมันเข้มแข็งเข้มแข็งยริงๆถึงขั้นไม่รู้จักเป็นจักตายไม่ถอยเลย ม, มันมีของมัน เป็นวาระของมันแล้วถึงขั้นที่ฉลาดมันฉลาดจริงๆแห ล, ลมผมหญิงไม่เคยคาดเคยฝันเลยว่าจิตนี้จะฉลาดขนาดนั้นสามารถทันกับเหตุการณ์ทันกับพิเดตตัวไหนที่เป็นชนิดใดชนิไหนมันจะจะ ม, มันถ้าว่าพูดเป็นนักมวยเขากหมดอาวุธที่ยกขึ้นต่อสู้หมดทั้งตัวเลยเป็นอาวุธทั้งหมดนั่นและหมดทั้งความเคลื่อนไหวในภายในจิตใจเป็นสติปัญญาทั้งนั้นน่ะถึงเวลาที่มันเป็นขึ้นมาแล้ว เราอยากเข้าใจว่าจิตของเราจะจะโง่นะเมื่อถึงขั้นมันฉลาดแล้วฉลาดจริงๆไม่ฉลาดเอากิเลสลงไม่ได้กิเลสมันฉลาดขนาดไหนเราก็ทราบแล้วฉลาดมาตั้งกี่กับกี่กันบนหัวใจเรานี้หัวใจแต่และดวงละดวงนี้คือกิเลสครอบด้วยความฉลาดทั้งมันมากี่กับกี่กันเตจงไหมทีนี้ถ้าสติปัญญาเราไม่ทันมันจริงมันจะไปม้วนเสือได้ยังไงนั่นนะฟังสิถึงขั้นมันฉลาดมันฉลาดจริงจรงนี่จิพูดก็สาธุเราไม่ได้โอได้อวดนะเราก็ไม่เคยคิดเคยคาดในะหัวใจดวงนี้นะ ดวงที่พูดกระหมูเพื่อนเวลานี้นะแต่เวลามันเป็นมันเป็นจริงจริงนี่จนเกิดความมหัจรรยโอ้โหขึ้นขนาดนี้เธอหรือสติปัญญาเวลามันมันหมุนเป็นอย่างนี้เธอหรือไม่คาดไม่ฝันแต่มันรู้อย่างชัดๆหมุนที่อยู่ที่รอบตัวเลยสติปัญญาแล้วก็ทันกับเหตุการณ์น่ะเนี่ยจิเรนตัวไหนมันจะเก่งขนาดไหนที่นี้เมื่อปัญญาเหนือมันแล้วมันพังได้เหมือนกันนั่นแหละเมื่ออันหนึ่งเหนือแล้วมันจะอยู่ได้ยังไงทนได้ยังไงอถ้าเป็นคนก็แบกไม้หนักๆมันก็หลังหักนั่นแหละ พอไม้มันหนักน่ะกําลังเราไม่พอกับไม้มันก็หลังหักทีแบบที่แบกสูงทั้งทอนเอาลองดูสินี่มัเหมือนกันกิเลสมันจะเก่งขนาดก็เก่งเผื่อลงปัญญาได้หนักค อ, อกหนักมือกว่ามันแล้วมันหักตรงนั้นเราพังลงไปได้โดยไม่ต้องใส่ผู้ริเจ้าภาษาวกล้วนแล้วตั้งแต่ท่านผู้ติดพังกิเลหักหลังกิเลหักคอกิเลตลงให้ม้วนเสือได้ทั้ง น, นั้นด้วยอํานาจของปัญญาปรีายชาญไม่ต้องพูดไปอย่างอื่นน ะ, ะมันเห็นอยู่ที่ใจของเราเนีง แต่เวลามันโง่มันโง่เพราะกิเลสมันเหนือมันต้องโง่ตลอดเวลาเลยนะเดินจงกรมมันก็สวมรอยไปอย่างนั้นนั่งภาวนามันก็สวมรอยอยู่นั้นทําอะไรความเพียรอะไรมันมันมีแต่ตักตวงอะไรได้หลายได้อะไรอยู่กับความเพียรเท่านั้นแหละความเพียรเรามีแต่ร่างเนื้อหนังมันเอาไปกินหมดนี่เวลามันมันฉลาดมันฉลาดอยู่อย่างนั้นกิเลสนี่เพราะฉะนั้นจริงต้องพยายามเอาเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มที่เต็มฐานที่เดียวถึงขั้นมันฉลาดแล้วมันฉลาดจริงๆถึงขั้นมันทนทนจริงอดจริงๆสู้จริงๆส จิตนี่แหลเป็นกําลังสําคัญมากร่างกายมันอ่อนเปียกขนาดไหนก็ตามจิตไม่ได้อ่อนนี่นะคิดดูที่เดินไปมันล้มล้มกับล้มจิตมันไม่ได้ล้มด้วยนี่นั่นทางสีร่างกายจนจะหายใจไม่ถึงท้องแต่สติปัญญามันไม่ถอยเมันฉลาดมันแข็งแข่งในตัวของมันนั่นนั่นเพราะฉะนั้นกิเลสมันถึงได้ม้วนเสือมันเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วเอาเถอะกิเลสตัวไหนก็มาเถอะถ้าลงสติปัญญาได้รอบตัวแล้วเป็นพัง ไม่พังพระเจ้าเป็นพร ะ, พระศาสด า, าได้องคเอยได้ยังไงถ้าสาวกเป็นอาหารหันได้ยังไงนี่แหละสิ่งที่มันชนะกันมันมีอยู่คือความฉลาดแหลมคมของปัญญาเมื่ออบรมเขาอยู่โดยสม่ำเสมอต้องมีกําลังหมุนตัวเป็นเกลียวไปได้นั่นแหละแล้วเราจะได้ชมเราเองนะเหมือน ท, ทั้งทั้งที่เราเอาขนาดนี้มันโง่อ ย, อย่างนี้และทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจเราเป็นเพลินเป็นไฟแต่ถึงคราวมันเป็นน้ํามันเป็นจริงๆริเพราะอํานาจแห่งสติปัญญาเนี่ยหมุนติว้วติ ว, ต, วติวเข้าไป ช้าออกล้างออกช้าออกล้างออกอะไรเป็นทุนเป็นไฟดับมันไปดับไปด้วยสติปัญญาสุดท้ายก็เหลือตั้งแต่ความบริสุทธิ์พุทโธเด่นอาสจรรย์หมายที่นี่ไม่มีใครอาสจรรย์เจ้าของก็รู้ในตัวของเจ้าของอาสจรรย์อยู่ในเจ้าของเองอ๋อพระพุทธเจ้าท่านอาสจรรย์เป็นอย่างนี้เองนั่นท่านหลุดพ้นจากทุก พ, พ้นอย่างนี้เองนั่นมันเป็นเครื่องยืนยันกันระหว่างพระพุทธเจ้ากับภาษาวกทั้งหลายหาที่ค้านกันไม่ได้นั่นแหะท่านยอมรับกันใครจะไปกราบพระพุทธเจ้าได้สนิทยิ่งกว่าพระาราหันล่ะร้อยเปอี์เซยน ท่านไม่ว่าพรทเจ้านิพพานไปนานแล้วนั่นะแล้วอันนั้นเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันเป็นเรือนร่างของศาสนาต่างหาพุทธธาตุแท้เป็นความจริงอันเดียวกันยอมรับกันทันทีเมื่อเจ้าของได้ถึงขั้นนั้นความจริงเต็มส่วนแล้วยอมรับไม่มีท่าไม่มีความสงสัยเราก็เอาที่เราลูกศิษย์ตถาโกดจะทําเป็นของราสมัยที่ไหนยอยู่ในหัวใจของเราเนี่ยสติเอามาใชา้สติปัญญามีเอามาใชา้เฮอย่านอนจมอยู่เฉยถึงเวลามันควรใช้แล้วเวลานี้เราออกแนวรลกแล้วไม่ใช่หรอือเราไปช่ได้อะไร กับเรื่องดินน้ำโดนไฟดินฟ้าอากาศซากตกคนเป็นคนตายเกลื่อนอยู่ในโลกคนนี้มันมีอะไรพิเศษทำต่างหาวิเศ ษ, วเศษความหลุดพ้นเสียจากการแบกขามกองทุกข์ทั้งหลายเพราะการเกิดเจ็บตายนี้เท่านั้นเป็นของวิเศษยันลงไปในตรงนี้เลยนักปฏิบัติเฮมันเหมือนกับว่ามันคันฟันนะ่แห่มันมันเข็ด จ, จริงๆถ้าพูดถึงว่าเป็นค่าศึกนะมันเป็นจริงๆงในหัวใจนี่มันถึงใจนะเลอะระหว่างกิเลสกับธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจ เห็นโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจเป็นค่าตศึกกันอย่างถึงใจดังที่เคยพูดในหมู่วนฟังเออแม้แต่นั่งฉันหันก็ตามถ้าว่ากองทัพเยอรมมาแล้วเฮือมาแล้วหรอเท่านั้นล่ะเพ้งเลยบากเนี่ยตายตุ้มกันเลยะถึงขนาดนั้นนะมันถึงใจขนาดนั้นนะเราพูดนี้หมายเราความถึงใจเพราะฉะนั้นมันถึงมันมันถึงความเพียรมันถึงถึงใจเหมือนกันถ้าลงได้ทำก็ถึงใจกิเลสก็ถึงใจเห็นเป็นไผ่ถึงใจแล้วอย่างไรความเพียรก็ไม่ถอยละ เราตายก็ตายเถอะมันไม่ได้เสียดายเราชีวิตอันนี้เพียงลมหายใจดับไปเท่านั้นมันนิสัที่โศอะไรเอจะเอาทำดวงไม่เกิดไม่ตายนี่ต่างหากที่เป็นของนิสัยนั่นแหละมันหมุนของมัน ต, ต, ติ้วติ้วติ้วไปเลยนะละะเทศตอนนี้กพอสมควรพ อ, อ, อวันนี้ดีประเทศในหมู่บนฟังมันก่อนลยเจ้าของเลยคันฟันไปเรื่อยคืออยากให้รู้เห็นมัน แมมันสดๆแล้วน้องในแทบน่ะทำอาบุญเจ้าหน่ยไม่ได้อยู่ไกลเลยอยู่ที่หัวใจนี่น่ะเปิดออกไปหรอก็จะว่างันนะเหมือนกับน้ําที่สายสาเต็มที่นี่นะเปะจอกเหนืต่างหากปกคุมไว้เนี่ยมันอยู่นี่นะเปิดออกที่เปิดออกที่อย่างนั้นน่ะมันมันคันพันอย่างนั้นน่ะเปิดออกที่นี่นี่แหละน้ํำน้ําป็นสายสาอยู่นี่น่ะมันอยู่ไกลที่ไหนอยู่ใต้จอกนี่น่ะใต้จอกใต้เหนือนี่ว่างนี่อยู่ใต้ที่เลนนี่น่ะควันควันมันออกพ้นมันออกขุดมันออกโกยมันออกว่างันหลย สำคัญที่กิเลสมันมาเป็นเนื้อเป็นหนังเราสมดทนี่มันลําบากนี่คือกิเลสมันสังมันจมอยู่หมดทั้งเนื้อทั้งหนังหมดทั้งหัวใจอะไรจะเข้าไปทําลายกิเลสเข้าไปทําลายตรงไหนมันมันมันกระโดนเราโดนเรากลัวคืออยาให้กิเลสตายมันกลัวเราตายเลยไม่ได้เรื่องนี่ที่เพราะมันฝังหมดมันจะฆ่ากิเลสก็เท่ากับจะฆ่าเราเลยจะเชื่อเชื่อกิเลสก็เท่ากับจะเชื่อเชื่อเราเลยมันก็ไม่กล้าจะเชื่อเชื่อสุดท้ายทห้กิเลส อยู่บนหัวนั้นเสียขี่รถลงมานั้นเสียฉันนี่อยากไหว้ยังไงนะมันเป็นอย่างนั้นจริงจริงถึงัน อ, อยู่ในระยะที่มันเป็นมันเป็นอย่างนั้นจริงมันหมดในตัวของเราเหมือนกับว่าแตะตรงไหนก็กลัวจะของจะตายก็คือกลัวที่เดี๋จะตายแล้วเด็สุดท้ายก็ผิวก็ไม่ถลอกมแล้วทีนี้เวลามันโกนข้ามนะมันถึงขัง้นจ่มันโกนข้ามแล้วอะเอไรจะพังก็ให้พังไปแน่ที่สุดจิตมันจะมันจะดับ ไปพร้อมกับความเพียรฟาดมันลงไปนี่มันจะขี้ผายกับเี่ถ้าให้มันขี้ผายนอนเวลามันสลักเห็นไหมล่ะอ่ะมันไม่ได้ห่วงเวลามันห่วงกับห่วงอย่างว่านี่นะอะไรอะไรก็เป็นเป็นเจียดมันเต็มตัวแล้วแตะที่ตรงไหนก็กลัวจะกลัวจะของจะตายความยิ่งก็คือกลัวจะเจี๊ยจะตายจริงๆนะพอถึงขั้นมันมันจะมันจะเอากันจรงๆแล้วมันก็เป็นอย่างที่ว่านะเอาอะไรจะไม่มีอะไรเหลือเลยอ้าอ้าห็มันรู้นั่นมีแ่อ้าอ้าเงื่อนหมายเขามันเด็ดเต็มที่เลย อะไรจะทิดหายลงไปแม่ที่สุดความรู้ที่มันว่าเด่นๆอย่างนี้น่ะมันจะพังไปกว่เดิตไม่มีอะไรเหลือมันจะเป็นหัวต่อการมันรู้มันรู้โน่นน่ะเพราะว่มันถึงมันถึงพังได้จิตถ้าลงได้ถึงขนาดนั้นไม่มีอะไรไว้แล้วจะสงวนอะไรไว้ไม่ได้สงวนตรงไหนก็สงวนจิเด็ดตรงนั้นน่ะเมื่อถึงขั้นมันปล่อยมันต้องป่อยให้หมดถึงขั้นทำลายทำลายให้หมดเลยจะไม่มีอะไรเหลือแล้วสิ่งที่ทำลายไม่ได้มันก็บอกตัวเองใจจะทำลายมันได้ยังไงเพราะเป็น เป็นหลักธรรมชาติเป็นของแท้ที่เรียกเป็นของแฝงเป็นสิ่งที่แสงเหมือนกาฝากมันก็ทําลายได้เลยทีนะนะนี่ก็แม่กี่วั น, นผมก็จะได้ลงบางเทศแล้วนะี่นั่นก็เป็นห่วงม่ห่วงเพื่อนใลาผมไม่อยู่ก็ให้เชื่อว่าทําอยู่หัวใจขอ ง, งตัวเองนะได้สอนเสมอเลยวันนี้อย่าให้มีเรื่อง ท, ที่ที่เห็นมาเหล่านี้นะมันเบื่อจะทายทุเรศ จ, จริงๆนะ แม่กิเลสมาขี่รถหัวอยู่อย่างไม่อายความหึงหวงกิเลสความคิดถิดมานะมันเรื่องของกิเลสทั้งมวลเน้วได้มันอะไรที่จะสร้า ง, งแล้วต่อต่างๆมั น, นเป็นนั้นไหมผมบ้าที่นี่บ้าสร้างไปไหนนี่นจะสร้างนี่จะเป็นบ้าคนหนึ่งนะผมขนหนาอยู่เรื่อยเพราะนั่นนั่ น, น, นแทงแทงได้ นี่ยทำไมจึงไม่ไม่ไม่เห็นคุณค่าของคำพูดของการสอนนี่นะและสิ่งอนี้ผมเคยพูดเคยสอนมานานแสนนานทำไมจึงมีเรื่องแสบๆมาแสบอยู่นะนั่นยังไงกันพูดนี่ก็แน่ใจเรามีเห็นมีผลนั่นเป็นการแสบๆสร้างหาอะไรหุ่นหาอะไรตั้งใจมาสร้างให้เขาไน่แต่ไมืเนไม่เห็นได้เป็นท่าอะไรแล้วยิ่งสร้างนั่งสร้างนี้มันยิ่งหาเก่าเลยที่มนคันนันมันเป็นหมาที่เลื่อนไปหมดวัดนี่ พระเป็นหมาที่เดืมันดูได้เมื่อหมาที่เดือดมันยังพอดูได้ถ้าเป็นหมาที่เดือนม่นแผลหางไม่มีด้วยเกาไม่อยู่ไม่ถอยยุ่งไปหมดเกากวนฟังซิกวน น, วนั่นกวนนี่ขอฉันเสร็จแล้วผมงานนี้จะทํางานนี่จะทําไี่ไปเลยนะมีสายลงมันฝังเลยนะแล้วมีที่ห่วงที่จะมาแก้ที่เด่นไม่ยอมแต่แก้ที่เด่นไม่ให้แตะนว่ากนะ ย่หาเกาในที่ไม่คันพอให้แก้ําคาญไปวันหนึ่งวันหนึ่งแล้วความเพิ่มลำคานจนเป็นยาเสพติดในการก่อสร้างอืวิเดศสังหารธรรมในเรื่องเหล่านี้ด้วยเรื่องเหล่านี้มันไม่เห็นผิดกันอืไหนว่าแก้ลาคาญแก้ําคาญถ้าไม่ทำลำคานนั่นได้ทํำแล้วลมันแก้ลาคาญแล้วเวลาทําไปทําไปมันติดแล้วว่าไงออืนั่นมันลาคาญที่มันติดไม่ได้ทําอยู่ไม่ได้ วุนก็ น, นียู่แต่กับการทำงานไม่ไม่ได้มาสนใจกับดูกิเลสตัวมันดิ้นดินตัวมันดิดดตัวมันพาเป็นหมาที่เลื่อนนล้วจะทาานนําะไรมาบวชมาภาวนาก็นี่ได้ผ่านมาแล้วไม่ไคุยนะ <c oughs> ไม่ทําว่างนั่นเลยนี่แบจริงๆไม่ได้สร้างที่ไหนอะไรเลยนะต้องไปออกปฏิบัติฟาดกับกิเลสมาตลอดแน่นตั้งแท้มันไม่สร้างอะไรไม่สนใ จ, นใจอะไรเลยตั้งตะวันออก อฟาดกับพิริศตลอดเวลาเป็นตาเป็นตาเป็นตายเอาก็มนอย่งนั่นไม่ถอยทํามาไปหาทำพทิริศทาอะไรไม่ได้ทำเลยเอาในช่วงที่เป็นเอากาเป็นที่ทะลุบอลกันอย่างใครดีใครอยู่มาเป็นเวลาเก้าปีเร็งๆไม่ได้ข้างอะไรเลยอยู่แต่ในป่าในเขาอดอยากขัดแคลนทุกยากอับากขนาดไหนก็เห็นจะอาจทำก็ได้สิ่งเหล่นี้ไม่เห็นเป็นของสาคัญอะไรยินเมื่อไหร่ก็ได้เนี่น ถ้าอยากไปกินกินให้ตายก็ได้เหมือนอย่างชูชกมันเป็นของอาชญาอะไรมันมีเต็มบ้า น, นเต็เมืองแต่ทำนั่นสิมันเป็นของลําบากเป็นของหา ย, ยากจะต้องตะเกียบตะกายเพราะฉะนั้นจริงต้องตะเกียบตะกายแนย่มันเอาอย่างนั้นทั้งวันทั้งคืนตามกันอยู่ขนาดนี้ต่อยกันอยู่ขนาดนั้นมันยังเอาลงตกเวทีได้อย่างไงไหนทจะหายุ่งนั่นยุ่งนี่ไม่สนใจกับภาวนานเลยมันจะได้เรื่องอะไรใครจะว่าใครเก่งขนาดไหนก็ตามแต่ผม นี่พูดโกงเลยผมไม่ได้โยงใจกับใครหรอกอันนี้มีแต่เก่าแบบมาสีเดือนะเก่าอยูที่นี่เออบางทีก็เหมือนกันนเนี่ยเอาก็กนี่คันมันยังเก่ามัง้งนั่นพวกขันก็เกา่านีมนมนมนมน่มันไอ้นี้มันคันนัเนีมันเก่าเลยไอ้พระกรรมฐานอะไรพวี่มันไม่คันมันมันมันไม่เก่านะที่ขันมันไปหาเก่าที่นหนขันเลย จะหมดจะหมดอะวงกรรมฐานวัดหนึ่งวัดหนึ่งยังไม่มีทางยังคงเลยนะนี่เหรอที่สมทุเรศนะผมไปเที่ยวที่ไหนก็ดูโอ้โหแล้จะหมดนาะนจะหมดนาะนค่อยกุดค่อยเลื่อนออกมาเพื่วงกรรมฐานทางยังคงกูจะมีถึงไม่มีทางยังคที่ทำ ง, งานของพระแล้วมันก็นหมดนะล่ะถ้ากรรมฐานนั่งภาวนาก็ไม่ทราบนั่งที่ตรงไหน ที่มีแต่นอนใครก็จะไปทราบได้ที่เดินยักรมมันเปิดเผยมันไม่มีแล้วสำไมดูทางกรมเหมือนกับว่าเหลือไปอยู่นั้นเลยตั้งกับตั้งกันมันกดกมันลุงหลังไม่เห็นเปรี้ยงเห็นเกาด้วยการเดินที่ทําไงเหตุที่จะมาปักจะทางกรมตลอดนี่ก็พราะได้เห็นคุณค่าของความเพียรเนี่ยที่ค่ากิเลสได้เพราะความเพียรนี่นะเพราะนั้นเราจึงพูดอยู่เสมอ แล้วพระพุทธเจ้าขั้นก็นสอนอย่างนี้อยู่นะท่านสอนให้ไปหาสร้างที่สุาร์ตเก่าที่อยู่ไหนให้ควาดกุมหัวขีดต่างหากพระเจ้าสอนอ่าแบบแผนนันตะนามีอยู่นี่นะ่ะอ่านกันมาทําไมพระเจ้าสอนในแก่ขดท่านสอนแบบไหนนะ่ะแล้วเวลานี้เราเราแก้กันแบบไหนนี่ที่มันน่าคิดโอาเลยมันตื้อมันด้านมันไม่ดฟังอัศจรรย์ธรรมของ ศ, ศาสดาเลยทั้งเรื่องแต่ศาสดาขีเลนนะทำไม พ่อแม่ครูอาจารย์มีที่หยู่ท่านพายอยู่หนองผือแม่จะมีมากกว่าตามนะพระเนี่ยก็ทั้งเดิ น, นทั้งกลมในป่าอะไรที่ไหนี้ของงานนี้ท่านถือเป็นงานสํคาคัญมากไอ้ราก็เป็นอันหนึ่งเหมือนกันมันฝังใจเหมือนกันนะเรื่องความเขียนนี่รู้สึกว่าลึกมากทีเดียวมันถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเอาเป็นตายเขาว่าจริงๆมันไม่ได้จีดได้จางเลยนะ ผ่าเห็นเรื่องอะไรอะไรที่มันเป็นค่าสื่ต่อทางด้านจิตใจเอี่ยเป็นเรื่องจิตตะาอนานี่มันถึงได้ว่ากันตลอดไงคือมันมันไม่พ้นกับสิ่งนั่นเลยเพราะสิ่งนั้นเราก็ถือว่าเป็นเครื่องกังวลและเป็นภัยต่อจิตตะพอนานอยู่แล้วนี่น่ะตั้งหลักตํางลาท่านก็บอกท่านก็สอนไม่ใช่ไม่มีตั้งาราก็มือนที่พูดทะกีนี้พูดกระยอยเท่านั้นสอนไม่ได้เรื่องเดินจนกลมเรื่องน้าสมาธิเ่องพรนาน ท้าทั้งหลายาาทั้งพุทธการท่างนำอย่างนั้นกันแล้ว น, นี่มันไม่ได้มีเลยใช่นหมมั น, นโกงกันข้ามเลยเป็นเรื่องเทวทัศไปทั้งหมดทําลายตัวเองทําลายศาสนาทําลายวงประปีนีของศาสนาไปแล้วมันเป็นความนิยมนิยมอะไรไอ้กิเลสมันทานิยมอะไรก็สุดมันจูงจมูกขาดอย่างนั้นเหลอนิเลนิยมก็มีธรรมนิยมธรรมะนิยมก็มีฟังเฉย อ่านเรียนนี่คำสำหรับสำราไม่ได้เคลื่อนเลยขาดอะไรเลยอ่านแบบไหนก็เป็นแบบนั้นอยู่เหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ะถ้าจะสนใจปฏิบตัติมันก็ได้ปฏิบตัติมังโกรธก็ต้นัดภาวนาดีเดิ น, นกลมตจ น, นะเอาอย่างนั้นละ่ะฟันลงไปใส่ผ้าขี่เกียดอันนี้จะอายผมเดินอยเรื่อยลงคืนบงทีผมไม่ค่ อ, อยจุดไฟแล้วผมเดินไป ครับพอไม่จิดไฟผมไม่จุดผมไปขังผมดีเลยดีนะเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนจะหนุนเหนือไปแค่ทุกคืนนั่นไล่ไหนขี้เกีจเยจยทียยจ่ท่านไปจ่อเรื่อยจ่อเรื่อยพอได้ขี้แล้วไล่หนีเลยจากวัดเลยท่านไปสถานทนี่ไม่ใช่ลงย่างหมูนะ่ะแต่ท่านจะมาอยู่ที่นี่นะวะไล่ไปเลยจริงๆเราไปดูชัดเจนเนี่บางคืนผมไม่นอนเลยกับหมีไปดูพระองค์เดียวนั่ะเดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยอะไรแนละ้วผมเป็ยังหนุมเหนืยอไม่นีนเหนืวัดส่าบรรทัดน่ย ไล่ใี้จริงๆต่อหน้าต่อตาเนี่ยเราลืมเมื่อไรเราไล่ท่าที่เกลียดไม่จะไปดูเพียงคืนเดียวเข้าไปไหนมาไหนมันลําบากลําบนมันเมื่อยมันเพียรนี่ก็อันนึงเราแยกมีสั้นมียาวนะไม่ใช่แบบเดียวไม่ใช่เถ็่นโกงแล้วไม่มีเรื่องอะไรเลยสองทุ่มคราค่อยแล้วสี่ทุ่มไปดูอีกแล้วครอยๆห้าหกทุ่มไปดูอีกครอยๆจนกระทั่งตีสามตีสี่ยิ่งครอยๆโอ้โหตาย ใครจะมากุศลาตายแบบนี้นะวะมันกลัวจนกระทั่งพูดจะมากุศลาอะไรนี่มาเอาอีกไปดูอีกหน่อนจนชัดเจนโอหาองสงสัยเอาแะไรมีไล่เลยบอกว่านีวัดภาวนานนะมันนอนตรงนี้ทำไมชิ่อเกียร่ิข้านอ่อนไรงทำไมมัทภาวนาถือเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิต จริงๆเป็นงานเป็นการจริงๆเรื่องภาวนาดนอื่นผมไม่เห็นมีอะไรสาคัญนะเรื่องภาวนาแล้วคือจริงๆเป็นหัวใจจริงไม่ใช่ธรรมดานะมันหนักแน่นอยู่ในอ น, นั้นไม่ไ ม, ไม่ไม่ถอยออกมาเลยนะหัวใจนะี่นะมันฝังอยู่ในเรื่องภาวนาเพราะอันนี้เองที่จะคว้าที่เล็กให้มันทังในหัวใจได้หลุดพ้นจากกองทุกข์มหันต์ทุกข์ทั้งหลายนี่แหละตรงที่มันเอากันเอาตรงนี้นะเพราะนั้นมันถึงฝังแล้วฝังเราฝังจริงๆอย่ จิตใจเกี่ยวกับเรื่องด้านภาวนาเนเห็นทำนั่นสร้างนี้อยู่ในวงปฏิบัตินี่ไม่สรางไปไหนนะ่ะมันมันอิดมาก็ อ, อาใจมันอ่อนเปียกไงหมดคือมันคลายเรื่องอะไรๆมัน่ะไปหมดเลย เ, เวลาลงผู้กุกคามเวลาตะเกียบตะกายเวลาฝืนกันมันฝืนจริงๆนะไม่ฝืนจริงๆไม่ไดนะ้เราก็เคยฝืนมาแล้วจะแนะ น, นำเรื่องฝืนมาสอนหมู่เพื่อนนี่นะหากไม่เคยแล้วก็ไม่ได้ว่าล่ะ แล้วเคยแล้วรบลูกคูกคันจนบางทีนั่งลับตาติดปิกๆน้ำน้ำตาพังก็มีผมน่ะแมันเครียดแค่ในีิเลสเอาเท่าไหร่มันมันก็เอาต่อหน้าเราเอาเอาเราต่อหน้าต่อตาเนมันลากเราไปต่อหน้าต่อตาเนีอ๋อนั่งลับตาติดปีกแล้วก็น้ำน้ำตาล่วงโอ้โหเดีวนี่มันไม่เป็นความจำนะมันเป็นศัจรธรรมมันฝังลึกนะ โอ้เครียดแค้นนี่ก็เกรียดแค้นเ่ยจริงอายังไงก็ต้องมีวันหนึ่งกูจะเอามือก็ดีอยหนึ่งนะมันเกลียดแค้แบบนี้มันเป็นมักหนึ่ง้วจะฆ่ากีเลยเนีมันไม่ใช่เครียดแค้นเป็นกีเหล่เนีอยแล้วมันฝังลึกด้วยนะยังไงมีวันหนึ่งก็ได้หรอกกูจะเอามือกูจะได้เอาได้แล้วเพราะฉะนั้นเวลามันมันได้แล้วมันถึงเอากันยังเป็นอย่างที่ผมว่านั่งสมาธิมันเสื่อมันเกลียดแค้นจริงนะแล้วไม่ลืมหนึ่งทไมมันถึง ถ้าเป็นโลกเขานี่อาฆาตพูดได้ ว, ว่าอาฆาตฆ่าคนที่พูดที่อาฆาตแล้วอาฆาตนั้นนะ่ะมันมีกี่ศพจะเอาให้มันแหลกหมดเลยถึงขนาดนั้นนะไอ้ที่มันเจียบแสนจิตเสื่อมไปมันทุกแสนทุกจริงๆนะผมไม่ลืมเลยแนะม่ตั้งแต่ภาวนาไม่เป็นมันก็เห็นมีอะไรธรรมดาธรรมดานะก็เหมือนอย่างคนเขาหาเชา้าเิ็นเย็นเขาไม่เคยมีเงินแสนเงินล้านนี่นะ่ะเขาหาเชา้าเิ็นเย็นเขามี ร้อบาทสอง้อยบาทมีพันบาทเขาก็ยหึ่ินได้สบายสบายไอ้ผู้ที่มีเคยมีมันเป็นล้านล้านแต่เป็นร่ำจมก็เห็นได้เห็นหนึ่งเสียเนี่ยอันนี้เงินยังมีอยู่อีกเป็ น, นแสงแสงก็ตามมันกม็มีความหมายแหละมันจะไปคิดถึงเงินเป็นล้านล้านที่ที่ทล่มจมไปนั่นอยู่ทั้งวันนะันคือโทุกขี่สุดแต่คนคนนั่นนะตาสีตาสาที่กระหายชาเย็นเขาไม่ได้ทุกนะไอ้คนนั่นอ่ะคนที่เคยมีเงินเป็นล้านล้านแต่ ถูกล่มจมที่เราเห็นได้หนึ่งนั่นแหละเป็นผู้ที่จะหาบกรองทุกที่สุดอร้อนเป็นถึงเป็นไฟทิ้ไม่ได้นอนม่หลับคือผู้นั้นแหละเมื่อเทียบแล้วเป็นอย่างนั้นแหะเรื่องของสมาธิที่ที่มันเสื่อมไปนีไม่ผิดกันอะไรกับข้อเปรียบเทียบวันนี้เลยผมไมไ่เป็นแนะ่นอนก็นี่ไอโทษแห่งความไม่รู้จักวิธีรักษานะ่ะ เวลามันแน่นเปิงก็เห็นชัดๆในจิตนี่ไหมะสมาธินี่เก่งจินนะแน่นเปิงเปิงแตม่มาทำกดอยู่ยังไม่ถึงเดือนเลยนมันมันค่อยเสื่อมไปเสื่อมไปเราเราไม่รู้นี่มันค่อยเสื่อมพอเข้าได้บ้างมาได้บ้างอ่าแปลกเราไวะแปลกเ่าเนีนน่รีบเอา ก, กดมาร้อยน้ำอะไรเขาเรียกอะไรน้ำมันอะไรที่ ที่มาทากดน้ํามันอะ่กระป๋องแต่ก่อนกลมๆมันกาไก่อูน่ะทาเอามาทาแล้วมันก็ี่วันมันก็ไม่แห้งมันไม่เหมือนน้ํามันที่มาทาทุกวันนะมันก็โมโหแห้มัแห้งก็รอดมันเข้าไปเลยนี่ทําแล้วนี่เย็บกดได้บ่อยแล้วเพ่นเลยตั้งน้าตัางๆเอามันอย่างเดียวน่ะสี่นี่มันก็ไม่ได้เหลืองฟังสิ คือความจริงก็คือมันคิดไปเป็นสัญญาอาดีตเนี่ยมันเสียดายนมันไม่ตั้งหน้าเภาวนานในตรงนี้เวลาเรามาย้อนหลังที่ที่นานที่หลั ง, งมีแต่ความเสียดายครับสมาธิที่ที่มันเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปแล้วอยากจะได้กลับขึ้นมาแต่ไม่มีอุบายไ้่มีวิธีไม่รู้วิธีที่จะทําให้มันกลับขืนได้อย่างไรบางคืนไม่นอนตลอดลุกหนึ่งพอหยิบพอพาคิดกล้าขึ้นกล้าขึ้นก็ขยับใหญ่เลย ไม่นอน ม, มันคือไม่นอนกลัวจิตจเสื่อมแล้วก็เสื่อมไปต่อหน้าต่อตาไม่แหมันโมโหจริงนนะเครียดแค้นที่สุดเลยต่นี่ดีอันหนึ่งที่มันมันไม่ถอยนะถ้ามันถอยแล้วเป็นเสร็จจะแบโอ้จะทำยังไงอย่างหนึ่งก็ว่าทุบก็จะดีกว่านี่นะเป็นเสร็จเลยนะแต่นี้มันไม่เหมือนงั้น ทำอยากเท่าไรไมันก็ไม่สมหวังอยากเท่าไรก็ไม่สมหวังแล้วมันก็เสื่อมต่อหน้าต่อกายอย่างนี้ทอดทสุร่าจรนั่นแ่ะบุญเวรามันจะได้นะนี่ยสําคัญที่ทอดสุล่าแล้วทอดทสุร่าก็ตั้งหน้าทํางานทีน่จิงนี่พอทอดสุราแล้มันก็ไม่ห่วงไม่ยายอดีตที่มันผ่านไปแล้วสมาธิจะกีดสมาธิมั น, มนเสื่อมก็เสื่อมไปสิ น, นี่ยไม่เอาละพ อ, ออยากก็อยากพอหวังก็หวังพอไม่เห็นเกิดผลประโยชน์อะไรที่นี้ไม่หวัง จะเอาอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเอาได้เสีย ก, อยกมมย็อยู่กับพุโทโธจมไม่จมเจริญหรือเสื่อมนอยู่กับพุทโธนี้เท่านั้นไม่เอาอะไรอะไรที่นี่ต่อไปอนี่จิตใจมันจะได้ที่นี่หันหน้ามากับพุโทโธไม่สนใจก็อยอยไรเลยนี่มันก็เป็นปัจจุบันแล้วสิอ่าที่นี่ก็ตั้งจะได้แล้วนี่ขึ้นอันนี้อ๋อไม่สนใจนะเอาจะเสื่อมก็เสื่อมไปเถอะคือมันไม่เสียดายมันเคยเสียดายมาแล้วมันมันสร้างความทุกข์ให้แกเรามันไม่สมหวังอ้าวจะเสื่อมก็เสื่อมมีถึงขั้นนี้แล้วอาจะเสื่อมมกรเส แต่พุทโธจะไม่ยอมถอยนะมันมีจะเอาแต่พุทโธนอกนั้นอะไรจะเสือเ่อมจะเจริญก็เอเข้าไปเถอะวาเพราะมันเคยมาพอยิ่งกว่าเคยแล้วต้องไปอีกว่านี่คนทุกทรมานอยู่ด้วยเรื่องเหล่านี้นะพมันเจริญขึ้นเจรนมีแต่พุทโธพุทโธพุทโธไม่ถอยปัดปัดล้านมัดก็ไม่ให้มันเถือเนี่ยมาเอาอะไรเอาแต่พุทโธไม่คิดเลย ว, ว่าธาตุหอสวรรค์นิมานหรือสามาธิอะไรจะกลับขึ้นมาแล้วจะ จะเสื่อมไปไม่เอาเลยทั้งนั้นแหละพอได้คิดห<ล>มก<ล>เต็มหัวใจแล้วแหละนี่จะไม่เป็นอารมณก็มันอจะพูดโทไปทตรงนั้นเอาได้ก็เสียอีกที่นี่จมก็ไม่จมจะเลยไม่อยู่ที่นี่ละตากตมที่นี่มันก็เป็นปัจจุบันเลยสิพอเป็ น, นวิทยาศาสตตั้งขึ้นได้ตั้งขึ้นอยู่ที่บ้านนาที่นวนแล้วผมไม่ลืมนะวัดด่างบ้านานาขีนว น, น, า น, านวนัดยาคุทงเดีก่อนที่พ่อแม่ครูอาจารพาอยู่ตรงนั้นตอนนั้นท่านไปท้าสูดลงสู่ หล้งปู่ารผมเข้าวัดผมก็เลยเนียงไถ้ามาเข้าวัดนะมัจะกัดหมาหรอกคนจริงๆถึงถึงตอนที่มันจะมันถึงขีดมันแล้วมันจะมันจะเสื่อมก็ปล่อยอยู่อันเดียวนี่อยู่กับพุโทอย่างนี้ที่นี่มันไม่เสื่อมนะนี่ปักเข้าปักเข้าแน่นกันไปแน่นกันไปเสื่อมก็ตามได้ทําความเข้าใจกันไล้แลัวเสื่ไม่เสื่อมไปเถิะแต่พุโทนี่จะไม่ถอย ทราบอย่นั้นก็โเนี่ยเวลาทุกข์ผมทุกข์มากจริงๆตอนสมาธิเสื่อมหยุดเสื่อมไม่าไม่เคยเห็นในีาทีนี้ทุกข์จริงๆคือมันจะได้จะดแิแดนติยนั่งเป็ น, น, ปนจนตัวใหญนพะกะนั่มจะพ่อแม่อจารย์มันจะกลับมาจาก ไปหนไปละจ่ายเหนือก็จ่ายนันเป็นเงยเดียวบึ่งไปเลยเ่นไปถึงวัดอานาทีวะวัดวัดฟังแดงที่เหมือนนั่นบันมาจากเขาทำคอนเทนต์บนี้ยเราก็ไปพภาพอยู่นั่นนะครับยออกไปไปถามไปทางพระ้านนั้นามาท่าก็จะผถามนมา น, นี่แหละ สมก็ได้ควมามมืท่านมาแล้วมาถึงเมื่อวานนึงพ่ออยู่ที่วัดอมแกแ้วเราก็เดยนไปหาท่านเลยในพระเนื้อที่สองสามคืนึก็นนิมนต์ท่านมาท่านก็ซึ่เล่าเรื่องบัดอันนี่พอท่ า, ทานใข่ใข่วัดใหญ่พอพ่ออยู่ที่นั่นพอเดินมาได้ท่านก่อนเลยมาด้วยไปนินมนต์ท่านามาที่บ้านฝางแดงนี่สบายขนาดยิด่งกว่านี้สนัดเนียบ ยังไปได้ไหมแต่ไม่ไหวมากเลยเดินไมานำกันแล้วมากมาทางด่วนก็ร้ า, ายมือนี้วเอาอย่างนี้ถึงได้เดินทางเพื่ะมาพอถทุกคนแล้วเทียนเขาไปขายข้าวที่อำเภอนาแก่ก็เลยนีมูลขั้นขึ้นเทียนนะหนึ่งท่านกัแกพอแล้วอายุเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าแล้วสองท่านเป็นไข่จะเดินก็ไม่ไหวทํางทไงตอนนี้มูลขั้นท่านยังไม่อยากขึ้น เราก็เอาจริงาจังคือโง่ก็โงก็พ่แม่ครูจารต์้ยนี่ทำไงวะเมือขนย่านอะไรจริงเลยมันต้องเป็นของขืนได้นี่วะคนไม่จะขืนคนกับคิดข้าหมายก็คือว่าคนย่านลูกศิษลูกหาไอ้มาเอาอันเวลาคนหลุดด่านฟันผานไปอันนั้นเหรอคุยังไงมัพูดมันเป็นอยดดนี้อยู่มากอย่างข้อหมายวางนั่นแหละเหมือราอ่อนบ้านเป็นไะไรางคก็เลี้ขึ้นอยู่ก็พ่แม่ครูอาจารย์ยี่เนี่ยยี่ไหนคนใครก็ว่างที่ล่ะ พอทีม่เอางก็ค้นไข่นี่ยเขาากันพอไอ้พ่อแม่ผู้ใหย่ไปได้ก็พ่อใจไปแล้วเด้อยนีะอนี่มุ่นก่คนถึงก็เลขขึ้นเนะมาบ้านนามุ่นเขาหันเลยที่นี่พี่นี่ก็ไม่เสื่อมไปที่ึงก็ไม่เสื่อมนะไม่ได้ถอยด้วยพุทโธนี่พอเข้ามาบ้านนามุ่นเน่เริ่มเอาขึ้นเวทีใหญ่เลยทีฟาันทั้งนั้อ อยังไม่ลืมนะอันนี้มันเป็นสัจธรรมมันลืมไม่ได้หรอวะเวลาได้ที่แล้วมันเอากป็นจริงจริงจัง น, น, งนงเะเพราะฉนั้นผมจึงนั่งถามลูกถามข้าได้ก็เพราะความเพียรแค่นนั้นเอ ง, เองไม่ใช่อะไรนะพอได้ที่แล้วเอาเธอทานี่เหรอถ้าเราถ้าถ้าถ้าเราไม่ตายเออถ้ากิเลสเออถ้าหาว่าสมาธิไม่เสื่อมเราต้องตายเท่านั้นหรอไม่ถ้ามันจะตายจะแบบไหนนะมันเข็ดจริงขนาด น, นะนั้นนะ่ะเพียรแค่ขนาดนั้นยังไงก็จะเสื่อมไปไม่ได้เครานี้นะ ถ้าสมาทีนี้เสียมคราวนี้เราต้องตายฉันไม่เป็นอย่างอื่นเ น, นี่ยมันถึงจะฟาดกันหลายเลย น, นั่งตลอดลุ่งตลอดลุ่งมากทุกฟาดกันนันเด้วยสติปัญญานี้เห็นความแปลกประหลาดความไม่จันทรขึ้นทุกครัง้งทุกครั้งของการนั่งตลอดลุ่งเราไม่เคยเห็นจิตแบบนั้นไม่เห็นใช่แล้วถ้าจิตปัญญาที่ยังไม่เคยหมุนตัวขนาดนั้นหมุนให้เห็นนั่นแหละเป็นพื้นฐานอันหนึ่งของปัญญา ทีนี้ไอ้เรื่องว่ามันเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมในที่สุดพอมันบนเวลามันถึงืมันมันรู้นะมันเหมือนกับเราเหมือนเราปีนเอาเอาไม้อะไรมาใส่เนี่ยไม้ล้วปีนขึ้นไปแล้วตกเอามาตกพอขึ้นไปใส่ตึ๊กหนึ่งยองนี่แหละแล้วนี่พอมันอุปมาเหมือนอย่างคือกินของเรามันมันปีนขึ้นไปแล้วตกปีนขึ้นไปแล้วตกพอมันขึ้นนี่แล้วมันตึ๊กนี่แล้เออทีนี้ไม่เสื่อมนะมันรู้นะรู้ชัดนั่นแหละ ที่นั่งตลาดบุญมันเป็นฐานสําคัญมากทีเดียวถึงขั้นที่ว่าเอาวแล้ที่นี่ไม่เสื่อมแล้วว่าท่าไหนเลยเป็นกําลังใจมากทีเดียวนะความเสื่อมของสมาธิข่าวนี้รู้สึกเป็นบทเรียนมากและเป็นบทที่เข็ดหลามากที่สุดฟังในหัวใจไม่ลืมและเกรียดแ้นกันอย่างเต็มที่นั่นแหละวาดกันอย่างเต็มที่เลยแชีวิตมันจะเป็นจะตายมันไม่อะไรจิตก็สง่างามมาตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่อยสมาธินี้ดีมาตั้งแต่นู้นมาเรื่อย แล้มันก็ลืมตัวพอจิตสงบแล้วมันสบายนี่มันก็เลยขี้เกียจไม่อยากคิดปัญญามันเลยสบายลืมสติปัญญาที่เก่งๆพี่กนานเวลาตลอดลูกตลอดหาหมูขําใช้ปัญญานั้นมันก็ลืมไปหมดเสียมันก็เอาแต่จิ่สบายมันมันสงบมันสงบจริงๆมันแน่นตึงเป็นถามอันสําคัญด้วยนะพูดไม่ถูกแต่รู้ได้ใช้ว่าไม่เสื่อมวางกันเลย ที่มือนอย่งว่าที่มันมันตึ๊กอย่างเงี่ยเออเอาแล้ที่ไม่เสี่ยงนมันก็อยู่ของมันอย่างเงี้็ดมากเฮ็ดจริงจริจนในชีวิตของผมเป็นนักบวชมีครางเนี่ยที่ผมร้อนที่สุดจิตเสี่ยงเนี่ยสมาธิเสี่ยงแต่นั่นมาก็ไม่ปรากฏว่าเสีออย่ยนะแต่นั่นมันก็นั่นก็เป็นสมาธิอย่างนั้นแห ล, ละอืแล้วเอกธรรมนหยก็เป็นสมาธิจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเราก็ได้เป็นนั่นเนี่ยครั้งทีกล้าพูดเนี่ยสอนหมู่เพื่อนบอ ละเอยียดขนาดไหนถ้าลงไม่ออกทางด้านปัญญาและต้องเป็นสมาธิอย่างนั้นแหละถึงวันตายก็เป็นสมาธิอยู่างนั้นให้เป็นปัญญาให้เป็นมิมุติผุดพ้นเป็นไปไม่ได้ยังไงเพราะเราได้ทำมาสัพอแล้วขีดเป็นสมาธิมาตั้งห้าปีว่ะถึงพ่อแม่เจะไล่ออกท่านคงจะลำคันไล่ออกมันถึงได้ออกเวลามันออกออกอย่างเต็มที่เลยเลยนะโอ้ก็มันพร้อมทุกอย่างแล้วเวลาออกก็ถึงเลย หรือถึงโอ๋บางวลาปัญญาแก้ที่เลนมันไม่ได้เหมือนสมาธิ่ีหนามันพ้นคนละโลกคุณค่ามันต่างกันมากมายเพราะฉะนั้นมันถึงมาตําหนิสมาที่โอ้ตายสมาธิมันนอนตายเฉยไม่ได้เรื่องเวลาแหละนั่นแต่ก่อนนั้นนี่จจะเป็นจะเป็นนิพานคือความรู้ที่เด่นอยู่อันเดียวเนี้อันนี้จะเป็นนิพานตัวเจาะอยงนั้นอืเฮ้ยมันจะไม่เป๊ะมันจะเป็นสมาธิอีกพอออกถึงขั้นปัญญาปัญญามันเหนือเนี่ย ความแยบคายเหนืออันนี้เหนื อ, อ น, นี้มันก็มาแก่อันน้ที่ที่นี่เออมันก็แก้เพราะมันเหนือเนี่ปัญญาคุณข้าขงปัญญาเหนือสมาธิมันก็รู้เหตุรู้ผลมันก็เหนือสมาธิทุกอย่างทุก อ, อย่างนงมมาี่เพราะงั้นมันถึงตำให้สมาธิได้เพราะมันเหนือน่ยความรู้ความฉลาดทุกสิ่งทุกอย่างตลอดถึงดวงใจดวงนั้นมันก็ละเอียดเข้าไปเพราะการซักการฟอกด้วยปัญญามันเห็นชัดเห็นชัดมันเปลี่ยนจากสมาธินี้ไปเนียอ๋ออ๋อแล้วมันก็ เราไม่คุ้นใจคนพอดีอทุกอย่างมันเลยเถิดไปหรอกถ้าว่าสมาธิก็เลยเถิดนอนจบในสมาธินี้ยไม่สนใจจะออกเลยจะเอาสมธิผ่านในสมาธินีท่ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาแล้วมันก็เป็นบ้านในเรื่องเรื่องปัญญานั่นเองท่านท่านพระอาจารย์ว่มามันหลงสังขาร น, นั่นเถียงท่านท่านก็ฟัดโอ้โหฟันอย่าง่ใหญ่ แ, แต่คราวนี้นิ่ง น, นะคำจะถือกันแล้ว แล้วมันหนักตะตังการคิดการพ้นมันไม่ยอมจะมาพักเอาเต็มเหนี่ยวเวลามันจะตายอยูมันก็มาพักคือคุณภาาของปัญญากับสมาธิที่ซักพออใจตรงนี้เอาใหมยมันถือกันมากนะภูมิของสมาธิเป็นอย่างนี้แต่ก่อนเราไม่เคยเห็นภูมิของปัญญาว่าเหนือกว่ามันเป็นยังไงไรมันไม่เห็นมันเห็นแต่สมาธิมันก็จะเอานี้ให้เป็นนิพพาน โดยไม่ต้องขัดต้องเกาต้องซักต้องปอกต้องแก้ต้องไขด้วยวิธีการใดๆทางเรื่องทางด้านปัญญาเลยมันก็จะเอาให้เป็นสมาธิเป็นเป็นนิพพานบริสุทธิ์ในนั้ น, นมันไม่เห็นที่มันเป็นสมาธิอยู่นั่นนี่ที่มันได้ขัดถนาดนั้นแนหะเจ้าของเป็นเองแต่พอออกทางด้านปัญญาแล้วโอโ้โหมันเป็นพลนโลกความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์ความละเอียดอ่อนทุกอย่างเหนือหมดเหนือสมาธิเนี่ยนั่นแหละมันถึงได้ตื่นตัวโอโ้โหอย่างนี้เลย นี่ปนไปใหญ่ไม่ยอมพักสมาธิเพราะเห็นว่าสมาธิมันนอนตายนนอยู่นั่นเอาหรอนะทิมก็ไปเป็นด้านบัญญาเอาสุดเด็ดไลยจะไม่ทินไม่ห น, น่อยหรือจะตายเพราะปัญญาพาดเดินหลงปัญญาอีกแ ล, ล, ล้วน่ะสมารลงทั้งขานเพราะปัญญาคือทั้งขารเนี่มันมันทั้งขานเป็นมรรคนึ่งนะไม่ใช่สังขารเป็นสมุทยัยคิดปรุงต่างๆนี่ทางด้านชินเหตนี่สังขารเป็นสมุทยัยคิดทางด้านปัญญาสังขารเป็นมรรคนั่นนี่แต่ว่ามันเลยเถิดแต่ล้วี่ งั้มันหลงสังขางน่นงว่าท่านจะเอาให้ให้อยู่หมัดเลยหละแต่ท่าะนี้กับเสียงกันไงเสียบ้าหลงสังขารบ้าหลงสขารนั่นงวดตัวใหญ่เลยนี่เราเหมาะนี่แหม่จะถูกอยงท่านว่าเนี่ยว่าคราวนี้ไม่โผล่นะงูเหอไม่ขึ้นนะารที่ก็ถูกตัดอยู่นิ้วอเนียพอเวลาเราไปสุดจินเ น, นี่ย้อนอากาศก่านต้นกาบอย่างสนิทในหัวใจนะ มันถืองท่านทุกอย่างหมดนี่นะเราไม่มีอะไรถูกเลยแต่มันเป็นป้าอะไรเสียงท่านเพราะว่าจะของก็มีอัหนึ่งขเรามันก็เหมือนกับปูเลยนะกระปูนี่มันมีอะไรมันมีกล้ามมันก็มันก็ยกกล้ามขึ้นรับนี่แหละเราก็แบบเดียร์เรไม่ใช่วันเราตั้งเป็นพิฏฐิมรณะจะถกจะเสียงท่านหนึ่งนะมันไม่มีคือมันมีความจริงอันหนึ่งที่จะต่อสู้กันอยู่นั่นน่ะเหมือนกับปุกกระปูเลยมันมีกล้ามที่จะต่อสู้จะว่าไงเดี๋ยวเราก็เข้าใจว่าเรามีความจริงอันไหน พอถึขงขนปัญญาแล้วต้องปัญญาแล้วไม่นานเท่าไมไม่เหมือนสมาธิในะสมาธินี่ต้องห้าปีเพราะมันติดจมมันนอนใจนะองนงด้านปัญญานีไม่ไหนานะเรจันได้ถ้าแปดเดือนเทมานอืนพุ่งเลยมินไปด้วยความหมุนติว้วติ้วติ้วิ้วเหมือนไม่ถอยไม่ยับไม่ยัง้ง มันจะเข้าสู่สมาธิพักอย่างนี้มันก็มันไม่อยากเข้าเพรว่าสมาธินอนตายเฉยน่ละแต่เเวลาจะตายเองมันก็เข้ามาพักสมาธิเกิดได้นั่นแหละเวลามันถ่านไปแล้วมันก้มาย้อนรู้นะจิ๋นรู้มาหมดจิ๋นอุตจักรมันรู้เองไะมอ๋อคําว่าธนะอุตจารเป็นอย่างนี้เองอุตจัรในสัญญลงค์มูลอุตจักรความฟุ้งคือความเพลินและความเพียรนั่นเองจะเป็นอะไรไปมันไม่พอดีมันเพลินอย่างที่เราเพลินเห็นมันเห็นไม่ได้หรือ มันก็เข้าใจว่าที อ, อ, อ, อธธ๋อคำว่าอุตตจากรนันเป็นอยังเ้ เ, เมานะก็ถือผู้รู้นะั่ถือผู้รู้ผู้ของผู้ใสนะั่นฮถืออุอะจฉาอุจาเ็นยังไงมานะอุตตอาริชา ร, ร า, ารูปราคะอุอรูปราคะมานะอวจาริชาทั้งยอดบนบนมีห้า น, ะา น, านั่นนะก็ลง มันมาเป็นตัวของเราว่าเป็นเราเป็นของเรามาณะถึงใจมุนหน่อยมาณะก้าวมาณะก้าวจะเป็นอะไรไปเป็นในภูมิเนี่ยคือตนต่ํากว่าเขาสําคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสาคัญว่ายิ่งกับเขาหนึ่งตนเสมอเขาสําคัญว่าต่ํากว่าเขาหนึ่งสาคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสาคัญว่ายิ่งกับเขาหนึ่งตนยิ่งกว่าเขาสําคัญว่าต่ํกว่าเขานึ่งสำคัญสำคัญว่าเสมอเขาหนึ่งสำคัญว่ายิ่งกับเขาหนึ่งก้าวมาณะก้าวจะเป็นอะไรไปก็เป็นอังไงเนี่ยคือมันแบบเทียบจากเคียงนะ ในคันนั้นมันอยากเที่ยวอยากเที่ยงมันไม่รู้เพรามันมีเที่ยวอยู่นี่มันก็จะกลับดแต่พอนั้นมันพังไปแล้วมันจะอยากอะไรมันก็รู้อีกแหละเนี่ยจะเ อ, อะไรอยากเทีย่ยวอยเที่ยงอะไรกับใครแน่เฮ้ยอยากจะแข่งอะไรกับใครจะหาอะไรมาเป็นคู่แข่งแน่นี่ยังไม่ได้รับคำนะนะว่ากับพระที่มาใหม่ใครมาอยู่เรานี่เี่ ว่าวใครอยู่ให้ใครไปผมนงไม่รับนะไม่รับปากรับคํา็นมันนอนใจอยู่ไม่ได้นะอันเลิกกันนั้นะเอาเอาเนี้อไพอ